ก็มามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวในเรื่องคำว่าโยนิโสมนัสติการเนี่ยในในโยนิโสมนัสิกาละเนี่ยดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยบอกว่าหนึ่งปารโตโพสปัจจัยกับสองเกี่ยวในเรื่องของโยนิโสมนัสิกาละ สัว่อช้ า, ชาก็พูดความหมายที่จริงจะใช้เวลาในการลงรายละเอียดของโยนิสโสมนัิการเนี่ยเวลาเป็นเวลาค่อนข้างจะไม่โผเน้นจับค่อนข้างเยอะก็เลยมาสรุปออกมาว่าเป็นอุบายมนัิการะก็เขาแปลว่าคิดหรือพิจารณาโดยอุบายคิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธี ก็หมายถึงคิดที่สอดคล้องกันแนวของสัจจะสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนึ่นเป็นข้อแรกคือสรุปเรื่องราวต่างๆลงในอริยสัจได้สรุปในชีวิตจริงเนี่ยลงในอริยสัจได้รวมในทุกสัจจะมรรคนิโรธสมุทั ย, ยสัจจะมรรคสัจจะและวนิโรธสัจจะนี่นะที่จริงการสรุปลงในสัจจะเนี่ยไม่ว่าจะเอาขันอายาตนาธาตุเป็นต้นหรือเนี่นะยอินทรีย์ปฏิจจาน ก็สามารถลงอริยสัจได้ประการที่สองคือปัฏฐามณติการะก็คือคิดเป็นทางถูกทางคิดให้ต่อเนื่องเป็นลําดับจัดเป็นลําดับก็คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาผู้มีพระเจ้าแสดงธรรมหลวพระองค์จะแสดงเป็นไปตามลําดับมีการศึกษาเป็นลําดับมีการปฏิบัติเป็นไปตามลําดับไม่ใช่มีการกระโดดข้ามกันเนี้นะอตรงนี้ก็กว่าให้คิดอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่น วิธีเข้าสู่ในภระศาสนาเนี่ยนะเช่นว่าหนึ่งมีศรัทธาใช่ไหมสองมีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรรมปังธรรมเกิดโยนิสมนัสิการโยนิสม น, นัสนิการนั้นเป็นปัจจัยแก่การเข้าสู่กุศลศีลในตัวกุศลศีลนั้ น, นะจะเป็นปฏิโมกสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวาปริสุทธิศีลปัจจายักสัญญาศี บางสูตรท่านจะใช้คําว่าจุลศีลมชิมาศีหมาศีสรุปก็คือเป็นการเข้าสู่ศีลขันธ์นันประเสริฐนั่นเป็นประตูแรกนีิประการต่อมาท่านก็จะแสดงบางแห่งท่านก็จะเอาปฏิโมกสังวรศีลวางเขาไว้แล้วก็จะเอาอินเดียสังวรศีลขึ้นมาเป็นระดับที่สองเป็นต้นเป็นไปตามดับเนี้นะแล้วก็เริ่มเพาจากอินเดียสังวรศีลเบ็ดเสร็จ้าไปแล้ว ไปเกี่ยวกับในเรื่องของสันโดษจากสันโดษก็ขึ้นไปสู่สติสัมพชัญญาในฐานะเจ็บพอสติสัพพัญญาในฐานะเจ็บก็เริ่มอะฝึกผลพัฒนาจิตขึ้นในด้านของการที่จะระนิวรธรรมละกรมะชันท้พยาบาทีนมิท้าอุทะจักกุกุจักวิจิตริช้าด้วยอุปจารสมาธิแล้วก็จะให้เห็นโทษใช่ไหมเห็นโทษของนิวรธรรมทั้งหลายเกี่ยวก็ับ กรรมวชันท่าเหมือนการเป็นหนี้พยาบาทเหมือนคนเป็นโรคไงนะแล้วก็ถีนามิทาเขาเหมือนกับติดคุกอุทจากุกุจาเหมือนการเป็นทาตวิจิตริชาเขาเหมือนคนเดินทางกันดารไงนะเป็นต้นแล้วก็ไปถึงปฐมวาชันชเป็นต้นทีนี้ลำดับตรงนี้ยจนถึงปฐมวิชันทุเตียชานกัตเตียชันเจตุทะชานแล้วก็ต่อด้วยการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นนี่นลำดับในลักษณะเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยบางทีบางทีกุศลทัศน์ไม่เคยดี จะจะไปสมาธิกันได้แล้วถึเนี้ยเข้าใจนะบางทีลำดับการปฏิบัติไม่พอคือตัวตัวหนุนเก่าคือกุศลศีลไม่หนานแน่นพอพอตดดขึ้นใบข้างบนก็ตกหน่อยสิเข้าใจนะพอขึ้นไปข้างบนก็ตกขึ้นไปข้างบนก็ตกเนี่ยเราก็แปลกใจทําไมการเจริญกุศลในพระาศาสนานีไม่งอกงามทุทีเลยนี่อันนั้นก็ไปไข้ตัวพรถามนัสศศการท่า น, นบอกว่าชิดเป็นขั้นตอนเป็นแนวทางเนี่ย ไม่ติดพันแล้วก็ไม่เตลิดออกทางโน้นทางนี้นะไม่กระโดดไปไม่กระโดดมาต่อชิ้นต่ออันไม่ได้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเป็นการชักเข้าหาความคิดสู่แนวทางที่ถูกต้องเช่นจะคิดตามแนวทางของ Mark, ขอเยเรมาก็คิดตามแนวทางเลยนะอย่างยกตัวอย่างเห็นอย่างนี้นะเช่นปรตโตโคสาปัจจัยนะหมายถึงกายานามิตรหมายถึงพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าหรือ สื่อต่างๆเป็นหนังสือทร ม, มาต่างๆฟังเทพทำม า, าอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นปราโตโพสสาปัจจัยนะแต่สิ่งต่างๆสื่อต่างๆหรือปัจจัยภายนอกต่างๆนั้นต้องชัดเจนและถูกต้องด้วยนี่นะนี่ประการแรกประการที่สองโยนิสสามรรารมีหมายังภายในนะอันนี้ปัจจัยภายในถ้าปัจจัยภายนอกดีจะปัจจัยภายนอกภายในเสียยุ่งไงใช่ว่าถ้าปัจจัยภายนอกเสียจะปัจจัยภายในดีอพอตัวรอดใช่ไหมอพอตัวรอดได้ในชะ่ไหม แต่จริงๆแล้วระดับอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่นะเว้นพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระเจดของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเพื่อกูลกับปัจจัยภายในแต่ถ้าหากว่าอย่างระดับอย่างเราเราท่านทั้งหลายต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเกื้อกูลอย่างมากแล้วก็ประสมผสานกับปัจจัยภายในคือกายานิมิตภายในคือโยนิโสมรสิการทีนี้ตัวโยนิโสมรสิการเนี่ยนะ กาวคือตัวปัจจัยปัจจัยภายในเนี่ยนะถ้าเราฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหากว่าเกิดโยนิสมงสิการผู Sometimes ้ฟังธรรมเนี่ยพอโยนิสมงสิการก็จะเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เป็นปัจจัยแก่สัมมากัปปะสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัจจัยแก่สัมมาวาจาสัมมากรมมนตาสมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาชิมันจะเป็นไปงี้นะ ลำดับมัจะเป็นไปลักษณะนี้แต่ถ้าหากได้ปากปรามิตรใช่ไหมกริยานิมิตภายนอกไม่ดีไม่ชัดไม่ใช่กริยานิมิตเขาเรียกปรารโตโกสเสียอโยนิโสมนัสการก็จะเสียไปด้วยนะอโยนิโสมนสสการก็จะคิดผิดใส่ใจผิดไข้ควรผิดพิจารณาผิดก็จะเป็นให้ปัจจัยเกิดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็เป็นปัจจัยเก่งมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรมมันตะมิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิแล้ว ก, กลายเป็นมิจฉาวิมุธเนี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้ทีนี้บาปอกุศลธรรมที่ไม่พึงปรารถนาก็จะตามมาเป็นกระบวนการเนี้ยนี่ยเข้าเนี่ยเข้าใส่ใจผิดชิดก็ผิดทําอะไรก็ผิดเป็นแถวไปหมดเลยทีเนี้ยมันจะเป็นไปลักษณะอย่างนีน้อันนั้นก็เรียกวามาจากอะไรมาจากอาจโยนิโสมนสิกะนั้นต่างเปเริ่มต้นผิดไปแล้วเนี่ยวัตตมูนีถ้ายิ่งเป็นระดับมิจฉาทิฏฐิที่รุนแรงนะ จากสักยะทิฏฐิธรรมดาก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเป็นสัตตตาทิฏฐิเห็นว่าเที่ยงบ้า ง, างเป็นอุเฉตตาทิฏฐิสูงไปกว่านั้นหน่อยเป็นอเหตุกาทิฏฐินาทิกาทิฏฐิอัคตริยะทิฏฐิก็เรียกวเป็นนิยธรมมิจฉาทิฏฐิสามแล้วสรุปแล้วพระพุทธเจ้าบอกเป็นต อ, องว่าต๋าแล้วเขา้าใจคำว่าเปิดต อ, องว่ตาต๋าแปลว่าออกจากวต๋าไม่ได้นี่จะเป็นอย่างนั้นมันจะก้าวลงสู่มิจฉาหนิยามเลย ก็มีอาบายทุกขติวิบาตในรกนลิน เ, เป็นผลรองรับทันดีที่จะเป็นนี้มันก็เป็นผลที่น่าน้าเสียหายตรงนั้นน่ะแหละเขาท่านถึงบอกว่าอโยนิโสมนัสิการนี่แหละเสียหายเพราะอโยนิโสมนัสิการเนี่เขาจะหมุนเวียนไปว่าวงเวียนทุหรือวงจรของปัญหาก็จะเกิดแล้วพออโยนิโสมนัสิการตามมาเนี่ยท่านในปัจจุ บ, นบันนะเพราะมันก็จะเป็นปัจจัยแก่ตัญหาใช่ไหม ปัญหาก็เป็นปัจัยกับอุปาทานอุปาทานเป็นปัจัยกับกรมมอภวะกรรมอภ ว, วะจะเป็นปัจจัยกัชาติชรามราณาสโสกาบริเดวทุกภทมรนาสอุบายาอันนี้ลายหลักไป้ดูก่อนเนี่นี่เป็นอะไรเงี้ยหรือว่าอาวิชาสังขารมียาเป็นต้นเนี่ยมันมาจากกรมอายโยนิโสมรณาสิการนั่นนั่นเนี่อันนี้เขาเรียกว่ามันมีมีวัตตะมันเป็นมูลของวัตตะและ้วอายโยนิโสมรสิการก็เป็นเป็นความเสียหายตรงนั้นก็เขาบอกประการแรกจริงๆก็เรียกว่าปราโตโฆสา บางทีก็แปลว่าเสียงจากผู้อื่นก็ได้หรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอกการสั่งสอนการแนะนําการถ่ายทอดการโฆษณาการบอกเล่าข่าวสารเนี่ยคำอธิบายจากผู้อื่นการเรียนรู้เรียนแบบต่างๆเป็นสิ่งภายนอกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าสิ่งต่างๆแบบนี้ดีเนี่ยเาเรียกปัจโตโฆษะภายนอกดีถ้าอย่างเราก็มีโอกาสดีหน่อยเนาะจากพระพุทธเจ้าสาววของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปรจโตโฆษะตรงนี้ตรงชัด ทีนี้ปราราโตโหสาตรงนี้นะก็จะเป็นปัจจัยแก่กัลยาณมิตราาภายในกัลยาณมิตราาภายในก็คือโยนิสโสมนสสการดังที่ได้กล่าวเนี่ยบอกว่าการทาใจโดยอุบายที่แยบคลาคิดถูกวิธีบางทีปัจจุบันก็เรียกว่าเองหัดรู้จักคิดบางทีใครจะบอกพ่อแม่ว่าพ่อม่โยนเองหัดรู้จักคิดบางทีที่จริงพ่อแม่ก็ใช้สองโยนิสโสมมาตั้งนานแล้วไอ้เราไมรู้จักคิดเรไม่รู้อะไรเยอะไหม รู้จักคิดคำนั้นอ่ะเคยสมัยเด็กๆเคยเดินว่าแม่วางเองเนไม่มีหัวคิดเลยกระผมไม่รู้จักคิดอล้นี้เป็นอะไรคิดยังไงรู้จักคิดถ้าเกแล้วบอกเอาฉลาดคิดไงก็เอาชัดเลยนี่โยนิโสมนสิการนาบางแห่งนะนะดูในเอกสารเนี่ยจะมีเวลาที่บางบางแห่งแปลปัญญาก็าได้แต่คําว่าโยนิโสมนสิการที่จะแปลว่าปัญญาได้นะ ที่ว่าจะแปลว่าปัญญาแปลว่าโยนิสโสมนสัสการนั้นได้รับอุปการะจากมโนทวารเราชนะนะหรือว่าทวนาเป็นอย่างดีนะหรือถ้าไปดูโยนิสโสมนสัสการ3าอย่างใช่ไหมที่บอกว่าวิธีปฏิภาธกรรมนัิการเชลหน้าปฏิภาทธกรรมนสัสการแล้วก็อารมณาปฏิภาทธกรรมนสัสการเนี่ยถ้าวิธีปฏิภาทธกรรมนสัสการหมายถึงปัญจทวารเรชนะหนักไว้ไม่ยอมไม่หลับเนาะปัญจทวารเรชนะจะเป็นตัวต้นวิชี พอเริ่มจิตเนี่ยมันจะลงสู่เขาวังก่อนเนี่ปกติเนี่ยถ้าใครก็วังมากๆหน่อยก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะเอาเงินกัแล้วกันเอาแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพลินมากกว่านี่นะวิถีจิตไม่ค่อยได้แล้วิจิตไม่ค่อยขึ้นสูวิถีเป็นบ่อยไหมพอป้าพอป้าเริ่มพูดธรรมะก็เริ่มมงง่วงอะไอตางนี้ก็แล้วมันเริ่มลดมันเริ่มลงมิขึ้นมันลงไอตรงนี้ก็มีโยอมบางคนก็โอ๊ยแปกจริงครัเวลาฟังธรรมะจะได้ง่วงทุกทีเลย ไม่แปลกแล้วโยมถามทำไมก็คือจิตจิตไม่ค่อยชอบนะแต่ก็ดีอยู่อย่างนะโยมเขบอกว่าปกติแล้วคอเร้วนอนไม่ค่อยหลับพอแล้วนอนไม่หลับฟังรมะแล้วหลับดีแล้วโลกภาษาเชั้นไม่เคยเกิดมากกว่า น, นี้คนพูดภาษาเยอะอันนี้มองมองอีกมุมหนึ่งเต่จริงไม่ดีลำบาก ตรงนี้ถึงบอกว่าโยนิยโสมมนาสิการนี่ก็แปลว่าฉลาดคิดก็ได้แต่ปัญจทวารเราชนะในวิถีนั้นต่อมาก็จะเป็นตันเจ้าวิญญาณหรือมีเจ้าปุญญาเป็นต้นสมปติชนะสันติเราชนะวัฏทะพนานช่ไหมเพอถึงวัฏทนาก็จะไปเจออีกชาวนาหนึ่งไปเจอชาวนะปฏิภาษความนาสิกานะเป็นมนาสิการเหมือนกันหนึ่งในปัญจตอนวิธีมีสองมนาสิการมนาสิการแรกกับมนาสิการหลังออแล้วพอมนาสิการ แรกทนี่ยทำให้วิถีเป็นไปไอ้มนัสการหลังทําให้ชาวนาเป็นไปเนี่ยแล้วก็แยกให้ผู้ไอ้มนัสการแรกทําให้ชาวไอ้วิถีเป็นไปชาวนาหลังทําให้ชาวนาเป็นไปอ้มนัสการแรกมีอี่ถือพลต่อช่อต่อมนัสการหลังเขาบอกเป็นอุปนิสยาประจัยแก่มนัสการหลังก็แปลกเด้เมื่อวานก็ไปค้นนะเดี๋ยวเรลองวิจัยดูหน่อยที้ก็ไปนั่งคุยกันเรื่องมนัสการ พูไปพูดมาโอ้โหแปลกเป็นอย่างนี้เองก็ปัญจทวาทรวชนะเนี่ยเขาได้รับอุปการะมาจากพวังพวังนั้นก็ได้รับอุปการะจากนูน้นอดีตอีกเยอะแยะมานี่ในที่สื่อต่อกันมาในวิธีก่อนๆไล่มาตามลาดับเลยอย่าแปลกใจถ้าหากว่าเราจะฟังธรรมะกว่าคิดผิดฟังธรรมะกว่าคิดผิดไงเพราะกระแสขันเราเนี่อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรวจสอบมาใช่ไหมกี่พระองค์แล้ว กีพ่พระองค์แล้วที่ขุนเจ้าตรวจสอบมาเนี่ยองค์ปัจจุบันนั้นก็ตรวจสอบหลายร้อยรอบหลายพันรอบเพราะตรวจสอบเบสเซ็จท่านก็บอกว่าถึงอ้าอีกสองพันกว่าปีมันอีกสองพันกว่าปีจะมานั่งบังธรรมแล้วจะมานั่งหลับโดยพระ อ, องคน้ำไว้บสเซ็จแล้วแต่บางคนก็มารู้เรื่องแนละ้วมันนั่นมาเรื่องได้ดูเอ๊ะแล้วจะไปเมื่อไหร่องค์ก็เรียกดูคือจริงๆแล้วมันมันนักสิการผิดมนันเยอะในในสมสารวัตที่ผ่านมา ฉะนั้นจะฟังทวันนี้ปุ๊บลุกออกเดี๋ยวนี้ปุ๊บแล้วมันจะไปคิดเรื่องอื่นเป็นเรื่องปกติเลยแต่ถือว่าปกตินี่พาเราไปหักเสียหายแล้วเนะี่ยเพราะว่าสแสดงให้เห็นชัดว่าอัจฉริยะใสเดิมๆที่สั่งสมมาเป็นอัจฉริยะใอย่างยาวนานเนี่ยไม่น้อมเข้ามาสิ่กุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลแล้วแต่อะไรเป็นน้อมม า, ามกรรมุณมัหนุนมากเยังให้สังเกตดูที่ว่าระหว่างคุยคุยในเรื่องของวัฏฏกรรมเนี่ยกับคุยในเรื่องของอริยสัพย์ือกุศลศีลเนี่ยก็อันไหนตื่นเต้นมากกว่า ก็ไปนั่งคุยกันเลยเจ้าคนที่กําลังง่วงๆอยู่เพล่อนไปคุยเรื่องกามาคุยเนี่โอ้โหตาสว่างขึ้นมาเลยเฮ้มีอย่างงั้นมาลองมาคุยคุยเรื่องมันคุยเรื่องบ้านเมืองเลยสมมตมานั่งตรงเนี้ยเราเอาเรื่องการบ้านการเมืองมานั่งคุยดูโอ้โหตื่นเต้นกันมากเลยเลยไม่ได้ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบกิเลสนะเนียนี่เป็นง้นวันก่อนมียอมไปสัมภาษณ์อาตมาด้วยสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาก็ก็ไม่รู้เป็นอะไไปตั้งรับขาวอาตมาก็ย้าหลบอาตมาก็ย้ําหลบ พวกกตั้งเรื่องการบ้านกันบอกออตมาก็พยายามหลกอยู่แล้วเพไม่ก็อยากไปของเก่ามันขึ้นนี่แต่เราก็พยายามกลัวบาปโยมก็พยายามจะแย่ปัญหาอาตมาอย่างไรเพราะไม่ไหวพยายามเดินยของเก่ามีเยอะใช่ไหมในสงสารวัฒนี่ของเก่ามีมากแม้ในพระเจ้าอภิษก่อนบวชก็โอ้โหก็ไปวิ่งเยอะๆกับเขามาเยอะโมไม่ไหวแล้วี่ไม่เอานะ้วบอกพมาอยู่ในศาสนานี่ก็พยายามละนี่สิ่งนั้น ยอมชอบจุดกรแะแสเยอะเลยเรียว่าเรยกก็เรียกว่าไง อ, อย่างนี้เป็นอรลโตโคสาสดีหรือไม่ดีไม่ดีนะนี่เป็นหาพระก็คุยเรื่องเบาๆนะ ค, ะ ค, ะ ค, ะคุยกันกุศลเออเป็นยังไงท่านใช่ไหมสมัยโบราณเวลาพระเจอกันเนี่ยก็ถามอะไรเอองั้นก็เจอกันน่ะคุณวิเศษของของท่านมีอยู่หรือไม่ใช่ไหมจะได้เป็นผู้บอกคุณวิเศษของของเรามีอยู่หรือไม่จะได้เป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาขึ้นมับรรพิตถามในการไถ่หลัก อื่นเป็นไงศีลกุศลศีลหนานแน่นดีมไหมสมาธิเป็นไงชัดเจนไหมปัญญาเป็นไงชัดเจนไหมบวชมากี่ปีแล้วได้กี่มาร์กอะไรอย่างี้ยเบอกยังมาชมมาร์กไม่ได้เลยยุ่งเลยเนาะก็ถามมันอย่างพวกเราเจอหน้ากันก็จะสนทนากันแบบนั้นนะถ้าอย่างชาวกูรู้เนี่ยก็ถามกันก็ถามว่าคือเป็นยังไงคุณเจริญสติปมรฐานแบบไหนอาณาปานะแบบเป็นยังไงชัดเจนทำไหมไม่ได้ทํา เ อ, อียวิยาพลด้วยยืนเดินนั่งนอนได้ใครควรนได้พิจารณาไม่ได้ทำแอ้วสองปชัญยะสติปัฏฐานในฐานะเจ็ดได้ทํำไหมในการก้าวไปถอยกลับแลเหลียวคูเข้าเหยียดออกไปไม่ได้ทําเอคือบอกปฏิคูณมนุษยการบับพิจารณาเพสของขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูได้ทํำไหมไม่ได้ทำ อ, อย่าดู ท, าท่าทุวัฏฏฐานอ๋อท่าสีดินน้าไบลมประชุมลงบ้างไหมไม่ได้ชิดอ๋อปลาช้าก้าว เรื่องตั้งแต่ศพที่กำลังตายวัน2วันสามวันเป็นกระดูกเป็นผิวผงไมได้ใครคนพิจรารณาไม่อมไม่ได้ทำอเวทนาที่ เ, เวทนาเก้าก็ดับสุขเวทนาเกิดขึ้นก็นรู้ชัดาสุขเวทนายิ่เคยรู้เรื่มงตัวเวทนาเอาจิตต์อันี้ยจิตมีราคะรู้ไหมว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะปราศจากโทสะจิตมีโมหะปราศจากโมหะไม่ได้ทำาบ บ, บนี้อ้าวคุณคืน อ, อนิวรธาตวเนี้ยจะเกินใช่ไหม คือนี่ว่อะนะบ๊อบธรรมานุกตนาโดยที่กรรมฉันทามีอย oh <m entre> ู่หน้าภายในจิตกําหนดชัดไหมกรรมฉันทะมีอยู่หน้าภายในจิตเป็นต้นไม่ได้ทำไล่ไปทาแต่ไปถามสติสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตรู้ชัดไหยบอกไม่ได้ทําเลยแล้วนี่ต่อไปต่อไปเราถามขันห้าถามอายตนะถามท่าสามสัจจะบอกไม่มีคือบอบเลยเขาบอกเขาว่าไงสรุปเขาบอกโอ้เหมือนคนตายแล้วอะ ไอ้เขาว่าบบนงี้เลยเออคุณนี่มีชีวิตอยู่มันคนตายแล้วบอกเเพราะเพราะมันไม่มีไม่มีอะไรเลยนะจาระอะไรไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวมันไ ม, ไม่ไม่ต่างกับคนตายเลยเว่าไงเขาก็จะอบรมกันอย่างงี้คนก็รีบสะดุ้งสะเทือนกันเขายกตัวอย่างนะดูสิในในรักของเรานกแขกเต้ายัางจเจริญสติปัฏฐานลเลยขนาดซาติราชานยังจเจริญสติปัฏฐานเนะียคุณเป็นมนุษย์ทําไมคุณไม่จเจริญสติปัฏฐานนั่งอูท้ออายกันใหญ่รีบไปไข่ควรฟังธรรม เราหน่าจะคุยกันอย่างนั้นบ้างใช่ไหมเจอน้ากันกร็ถามว่นี่บับไหนเนี่ยดูหน้าเศ้าๆนี่บับไหนเศร้าก็บอกบอกบับไหนขาดทุนอยูอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าขาดทุนก็อย่ากลุมนี้วอนเราทำมาไปพิจารณาใช่ไหมแต่อย่างนี้เราตืนใจได้อันนี้ก็จริงๆบรรยากาศตอนนี้นะบรรยากาศในในสิ่งแวดล้อมเนี่ยพยายามทํเข้าไว้เห็นเห็นยม จัดโครงการที่มีการทำธรรมะนั่งโมเดลก็เรียว่าสร้างบรรยากาศเวลาจะเจริญกุศลคนเดียวก็เงงเมาเงินอยู่มั้ยมารวบวงมาเจริญนี่ดูหนาแน่นใช่มั้ยใช่ไม่ใช่ต้องไปนั่งเจริญคนเดียวอาตมาเคยไหมบทใหม่ๆเนี่ยอี๊เป็นเดินก็แก๊กก็แก๊กอยู่คนเดียวอิจใจมาแลไปข้างนอกเดี๋ยวเขาก็ตอนั้นไปเดินโยนตั้งแต่มีโยมขับรถเดินผ่านมาขี่จักรยานผ่านมาทุกเขาจะควถามพระเดินหนาอะไรวะ ทเรื่องพุ่นงเขาหาว่าเดินเดินหาอะไรเดินจยกอมหา่าพาเดินหาอะไรก็เดีก็เดินช้าๆหน่อยใช่ไมเราก็เดินหาอะไเนี่ยถ้ามีพวกเดินแล้วเขาก็จะรู้ใช่ไหมรู้ว่ามีใครควรศึกษาประธรรมกันเลยกันเดี๋ยวนี้ประชุมทางโลกแน่นเย็ดมีมีโยมที่เป็นเป็นูกศิมาบอกก็ว่าเราประชุมขายตรงก็บอกนะเขาเล่าอีกตอนนะระบบเอขายตรง เขาบอกโอ้ห้องประชุมไม่พอเลยพ้องเรามีห้องประชุมเหลือเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องน่าคิดมากว่าทําไมไฟทํา่ำไฟไฟไฟสิ่งทางโลกทำไมต่างกันอย่างนีน้อันนี้ก็ไปพิจารณาดูเออตรงเนี้ยยนนิโสมนสิการธทําไว้ในใจโดยถูกทางหรือว่าฉลาดคิดเป็นต้นนะนะคิดหาเหตุปัจจัยก็ได้คิดสืบต้นเขาก็ได้ คิดสืบสาวตลอดสาแยกแยะสิ่งต่างๆออกไปนะให้เป็นไปตามสภาวะให้สัมพันธ์กับเหตุปัจจัยเป็นต้นอะไรเนี้ยฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไปดูในสูตรหรือดูในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเยอะแยะไปหมดอะไมาจะยกแบบสรุปสรุปมาก่อนที่จะเข้าในสาร า, น า, ารเนื้อหานี้จะเห็นชัดว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเกี่ยวในเรื่องของการใช้โยนิโสมนัิการหมดเลย นะตัวนะว่าพราะองค์สอนให้ใช้โยนิสมนักิกานอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นในสัภาสวะสังวรสูตรเนี่นะโยนิสมนักสกานี่คือการพิจารณาโดยอุบายแยบคายเป็นต้นเนี่ย <c oughs> เช่นเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะในสภารสวสังวรสูตรเนี่ยนะ <c oughs> เช่นทัศนะเนี่ยในการเห็นเนี่ยที่บอกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการเห็นเป็นต้นอะไรเนี่ยหรือ <c oughs> พิสูจน์นีในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สํารวมระวังอินทรีย์เห็นว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วก็คือทําโยนวิโสมณัสการให้เกิดขึ้นแล้วก็สํารวมระวังไม่บาปเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเมื่อไม่สํารวมระวังแล้วอาสวะคือกามาสวะภาวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดอยู่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จ ะ, จะเจริญไทบูุ์มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากมีโยนิสโสมนัิการแล้วก็จัดสํารวมระวังแล้วก็ปิดกั้นความยุ่งยากความเดือดร้อนไม่ให้เกิดขึ้นเช่นเมื่อสํารวมระวังรูปปิดบาปเกิดขึ้นมาได้แล้วก็เรียกว่าอาสวะที่ถึงละได้โดยการสังวรหรือสํารวมด้วยการปิดกั้นเช่นตาเห็นโรคใจไม่เป็นบาปเนี้ยการที่จะสํารวมระวังเป็นต้นได้เนี่ยสติจะเกิดขึ้นได้ไหตัวกุศลศีลตัวนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการพิจารณาโดยอุบายแยบคายมาก่อนแล้ว ชนะโยนิสโสมนสิการนั้นจึงเป็นปัจจัยในการปิดบาปในทวานุกกแต่ตัวปิดจริงๆนั้นเป็นตัวอะไรเป็นตัวชวนะโวนะนั้นจะต้องเป็นสติที่เกิดขึ้นในชโชนะนั้นในการที่จะปิดบาปทางทวานตาพหูจมูกลิ้นกายใจเ้าเราียกปิดได้ด้วยปิดกระแสะบาปได้ด้วยสติแล้วจะละได้ด้วยปัญญาใช่ไหมจะละได้ด้วยปัญญาหรืออาสวะที่พึงละได้ด้วยเสวนะ ห, หรือการส่องเสดในการใช้สอยบริการบริโภคเช่น พิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยจีวรถ้าคารวะก็เครื่องนุ่งห่มเคยปฏิเวกันบ้างหรือเปล่าก่อนจะหยิบจีวรมุจเจเอร์ขอไปก่อนจะหยิบเสื้อผ้ามาใส่พิจารณาไหมสีนี้เราใส่ไปรับรองคนมองเราทั้งวันหรื <laughs> ออนี้มีใิจแล้วใช่ไหม <laughs> เคยกลาคิดอย่างนั้นคิดแบบไหนคิดว่าถ้าในพิจารณาว่าเพื่ออะไร เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพียงเพื่อบำบัดความร้อนเพียงเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดแต่เหลือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเพื่อปกปิดอวัยวะไม่ให้เกิดความละอายใช่ไหมดังการพิจารณาโดยแยกคายแล้วใข้ควในลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็รยเรียกว่าปัจเจกก่อนแล้วก็ใช้เสื้อผ้าหรือเคลื่องนุงห่แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหอุกก่นเกล็ดอย่างประเภทเชนในศาสนาเชนนั้นหนักเลยนี่มั้ยอันนั้นไม่ยอมนุ่งอะไรเลยเนี่หนักไปเลย ตอนนั้นอาตมาไปอินเดียครั้งแรกไปแบบอยู่ดีๆแล้วได้ไปอาตมาแปะดีแปะที่ฐานี่น้ไม่ไม่ใช่ว่าตัวเอ้อธิษฐานอะไรได้นะตั้งใจอธิฐานไว้ตอนบวชใหม่ๆอยากจะไปอินเดียเขาจะข้างอธิษฐานก็คิดมาเรื่อยๆนี่นะคิดอยู่สิบปีพอประมาณทั้งปีที่ประมาณสิบสองเนะี่เออได้ไปตอนนั้นมานที่กรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยวนาไง ก็มาร่วมประชุมกัแล้วประชุมไปเสร็จเขามียอมอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยว่างั้นนะเขาบอกว่ า, เ, าเขากําหนดว่านี้เขามาถามว่าท่านอยากไปจริงไหมอาอยากไปดิยอมตั้งใจเวลานานแล้ว <c oughs> <c oughs> นึกดีใจก็เลยยอมก็บอกว่าเ ข, า, ข, น ข, น ข, นขานี้เขาเขาทีนมลพระไปกันประมาณสิบกว่าลูกมาเลยได้ติดล่างแหยไปกับเขาเดินตอนี้ไม่รู้จากเขาที่เดาไป ไปไปเสร็จก็เขาพาไป ท, ที่วัดเชียงก็เขไปใช่ไหใส่พวกนี้รามเขก็บอกว่าอเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวลองเจ้า ว, วาดออกมาแล้วเขาว่าเป็นอันนีเราเขพูดกันเหรอเขาไม่ได้นะออเขาอ้ทีน่นี้ก็เป็นเหมือนเจ้า ว, วาดอีกคนนึงเดิมๆเขาเขาไม่ใส่เสื้อผ้านะไม่ใส่เสื้อผ้าเขาถามบอกว่าพระก็มีพระไปถามเขาบอกว่าไอ นคุณคุณขอเสื้อผ้าทั้งหมดคุณไม่อายใช่ไหมคุณปฏิบัติทําไปปฏิบัติอย่างนั้นได้ไงทําไมคุณไม่นุ่งผ้าเลยคุณไม่ไม่อายแล้วคนเขาก็บอกว่าแล้วเวลาคุณมือคุณยื่นออกมาจากเสื้อผ้าคอคุณยื่นออกมาจากเสื้อผ้าขาคุณยื่นออกมาจากเสื้อผ้าทําไมคุณไม่อายบ้านก็คือวิวัตรส่วนส่วน ไอ้มานึกใจนั่นไงดันไปถามก็ดีนะครับพวกเขาย้อนกลับมาเลยยุ่งเลยเอ๊ะคำมองเห็นทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรอายหมดเลยถ้ามาเันนึกในใจเอ๊อันนี้มันคนละเรื่องหรืมันนในใจนแปลกนะบางทีเราฟังไปฟังมามันมึนๆกันนะตั้งเใจไหมเคยไปนั่งคุยกับคนที่เขาคุยแบบไม่ค่อยรู้เรื่องไอมาเคยหลาท้างไหไปนั่งคุยคุยไปคุยมาเลยความรู้เราหายหมดเลยเคยเป็นเคยนไ นั่งนี้มันหมดเลยเราคิดอะไไม่ออกเหมือนกันน่ยเคยเป็นไหมต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะพวกเด็เคยเป็นไหมเป็นนัํานั่งไปแล้วมันเหมือนดูดความรู้เราไปหมดมึนบอกโอ้ไม่ไหวเราอยู่ไกลเป็นไหมเขาไคิดสิ่งที่ไม่วรคิดใช่ไหมแปลกเนี่ยพิจารณาโดยแยกภายแล้วก็เรียกว่าการใช้เครื่องนุงห่มเนี่ยก็เพื่อป้องกันความหนาวแล้วก็ยุงเหลือยุงลมแดดแล้วก็วัตถุประสงค์หลักคือ ความละอายประการต่อมาพิจารณาที่แยบคายพิจารณาเพื่ออาหารเนี่ยที่เรารับประทานกันไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมองมันนะไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อยังชีวิตคือระ ง, งับความลําบากเพื่ออนุครอบกรรมจันทร์เราคิดว่าการบริโภคอย่างนี้จะบําบัดเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ทําเวทนาใหม่เกิกดขึ้นเราจัดํารงชีวิตได้ความไม่มีโทษและความอยู่โดยาสุท จะมีแต่เราดังนี้เนี่ยอันนั้นก็ต้องใช้โยนิสโสมนัสิการเนี่ยเป็นปัจจัยก่อนแล้วก็พิจารณาเรียกทายแล้วก็เสนาสนะถึงไหมที่อยู่อาศัยเนี่ยบําบัดความหนาวร้อนแล้วก็สัมผัสนั้นเกิดแต่เหลือบยุงไร ล, ลมแดดแล้วก็สัตว์เลือ้อยคานแล้วก็บริเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูต่างๆมีฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนเนี่ยพอเพื่อยินดีแก่ความหลีกเล้นพรานิเวลาก็อยู่ในกุฏิเนี่ยก็ต้องการหลีกเล่นน แต่ถ้าเข้าไปเราโหรอบทิศเลยเนี่ยยุ่งเลยใช่ไหมไปอปทางทิศไหนแล้วก็มีแต่เครื่องอำนวยความสะดวกสนุกสนานหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลีกเล่นเรียกว่าหลีกเล่นก็ะด้างกั น, นหลบอย่างนั้นก็เรียกหลบอันนี้นแค่ไม่หมายหมายความว่าเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าหลีกเล่นเพื่อเพื่อภาวนาบ้างหลีกเล่นเพื่อตึกพระธรรมเป็นต้นบ้างเพื่อสาธยายเป็นต้นเนี่ยอทําบ้านก็เหมือนกันนะทกวันเนี่ยนะเพื่อแปลกนะยถ้าหากว่าอาดมามางทิบ้านของญาติ เอ้ยไปเอามาเคยไปเนี่ยญาติญาตินิมนต์ไปพวกเฮ้ยแทนที่จะติดรูปพระเจ้ารูปดาราไปติดโอ้โหอนลมาพวกเอาองเอาไปอาบูชาทำไมทำไมไปบูชาคนมีราคะโทสะโมหะเล่เอาลองมาไม่ได้บุญใช่ไหมคือเ้าไม่รู้ไงเด็กๆ เ, เขาไปติดคือเขาไป น, นะ่คือแปลกย่อมผู้หญิงบางคนก็แปลกจริงๆสามีก็มีใช่ไหมย่อมผู้ชายก็มี เออไม่ขั่งใครสามีเลยข้างใครดาราก็เลเรื่องาาแฟนจริง <c> ฝ <oughs> ่ายสามีก็มามาบสถ์นี่พระฟังบอกโอ้ท่านอาจารย์อาจารย์ผมหลงคารแฟนผมจริงๆครับเขาอยู่กับผมเดี๋ยวก็ไม่คล้างใครดารา <c oughs> เขาก็ทุกใจเขายรงๆเขาบอกแล้วคุณเป็นอย่างนั้น บ, า บ, าบา้างเปล่าผมก็แอบเป็นนิดกันก็ว่าพอกัเลยสิเร่รักอะไรเนี้ยแท่จริงก็คือว่าต้องต้องพิจารณาพิจารณาโดยแยกใครแล้วก็นี่เนี่ย พิจารณาจะแยกคายแล้วก็บริโภคยาเนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องยา น, นะบำบับเวทนาเก่าที่เกิดจากเวทนาที่เกิดจากอาการต่างๆนี่รียกอาสวะที่รับได้โดยการพิจารณาประการต่อมาก็คือว่าอาสวะที่พึงรับได้โดยการอดกลั้นอธิวาสนาขันติยะพิจารณาโดยแยกคายแล้วอดทนได้ต่อความหนาความร้อนความหิวกระหายต่อสัมผัสอันเกิดแต่เหลือบยุงไรลมแดดและสัตว์เลื้อยคล า, านต่อถ้อยคํย า, ายากคายที่มากระทบทางโสตประสาท อันนี้สำคัญมาหรือว่าทางทางทางจักรุปปัตตวานเนี่ยไปเห็นรูปเห็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาทอมอดทนได้แต่ไม่ใช่อดปันอดทนแบบกับกดฟันอย่างที่บอกเลนะอดทนแบบใจเบาเย็นและสงบแล้วก็มีเมตตาด้วยแล้วก็ต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอันกล้าแข็งเจ็บปวดไม่เป็นที่สําราญไม่เป็นไปที่น่าพอใจขนาดจะทําลายชีวิตได้สามารถอดทนได้ถึงยอดเลยนะ อาณาตอนป่วยนี่ลองทำท่าอุทนโอ้หนักยิงหนักมากๆเลยไม่อยู่ครั้งหนึ่งโอ้ยตอนนั้นเนี่ยก็นอนเนี่ยนอนนี้ต้องค่อยๆกลิ้งเลยนะปวดแต่โอถ้าอยู่กับที่นี่โอทนไม่ไหวก็ค่อยๆกลิ้งกริ้งแล้วก็พยายามกําหนดไปเร่อยๆโอ้เวทนานี่เนี่ยในอนาคตเราไม่รู้เลยเนี้ยอนาคตอันไกลเนี่ยท่านทั้งหลายมีเวทนานี้ไหม เวทนามันเราคอนโทรลได้ที่ไหนบังคับไม่ได้ใช่ไหมมันเกิดจากเหตุปัจจัยเนี่ยเวทนานั้นเกิดจากอกุศลกรรมก็ได้เกิดจากกุศลกรรมก็ได้เกิดจากวิชาตถากรรมในอดีตเป็นต้นก็ได้เวทนาเกิดจากขัดสนในปัจิวัติภพเป็นต้นก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เวทนาเกิดจากนิปติลักษสนเนี่ยนั่นเวทนาเกิดจากปัจจัยเยอะแยะจากรูปอารมณ์ตัทอารมณ์ทันดาอารมณ์ลัารมณ์โผฏฐารมและธรรมารมณ์เป็นต้นก็เป็นปัจจัยกับเวทนาด้วยใช่ไหม แล้วเวทนาก็จะจากขู่สัมผปชชาเวทนาโซตสัมปชชาเวทนาเป็นต้นเนี่ยเกิดทางตาหูจมูมกลิ้นกายใจเวท น, นาตัวเยอะทุกขเวทนาโดยมากเนี่ยสัตว์จะทนได้ยากอยู่นะถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกระแสะขันเราอย่างรุนแรงเพราะอาํานาจของอักษศาสรกรรมก็ดีเพราะอํานาจถึงการประโยชนเข้ายิบัติเป็นตนน้นบดีอย่างคิดดูว่าถ้าไม่พิจารณาประเภทที่ว่าโดยการอดทนอดกั้นเนี่ยถ้าไม่พิจารณาโดยแยกคายแล้วเราจะไม่ได้บุญจากทุกเวทนาเลยนีย ทั้งๆที่ทุกเวทนานี่เป็นเป็นกลุ่มขันขันหนึ่งเท่านั้นเองในจํานวนขันห้าแล้วเวทนานะก็เกิดจากปัจจัยไม่ได้มีตัวตนอยู่ในนั้นนะแต่เราไปสมคันเอเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนายุ่งเลยนี่นะแล้วก็แล้วก็แกะกันไม่ออกเลยก็เวทนากับเราอันเดียวกันใช่ไหมสุขเวทนาก็คือเราทุกขเวทนาก็คือเราเราก็อยู่ในสุขเวทนานั้นอยู่ในทุกเวทนานั้นทุกเวทนาหรือสุขเวทนาเป็นต้นก็อยู่ในเราเนี่ย ไปไปมามาเรากับเวทนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็เลยแยกไม่ออกเลยนะพิจารณาเออจริงๆเวทนาเกิดจากปัจจัยนะเวทนาไม่เทียมเป็นภูมิเป็นอนัตตาเป็นตน้นไม่ได้แยกแ央เหนียวเท่าไนเขาพอจะอดกั้นทกุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาหน่อยอดกั้นไม่ได้ไข้คนไม่ได้ก็ทรมานประการที่ห้าคือว่าอาสวะที่บึงละได้โดยกาป ร, ริวัช น, นาหือสานเว้นภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเป็นต้นพิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นช้างดุ มาดูตรงเว้นไหมโคโดูสุนัขดูสุนัขดูงูดูตอไม้น้ําบ่อเหว้น้ำทับหลุมโสงโคหรือเว้นอย่างนี้เป็นเป็นการพิจารณาโดยแยกทางแล้วเว้นคนดูตรงเว้นหมเว้นมเว้นเว้นไงปลาประหมึกไงถ้าเจอปลาปลาหมึกก็ต้องเว้นคําว่าปลาปลาหมึกเนี่ยปลาปลาดมนีจยต้องแปลว่าบุคคลที่ไป ไปครุกคลีอยู่ด้วยหรือไปอาศัยอยู่ด้วยหรือไปสนทนาด้วยแล้วได้อะไรได้โรพระได้โทรสะได้โมหะได้บาปอกุศลแล้วทมันลามกอยู่ตลอดเวลานคนประเภทนั้นเขาเรียกว่าปาปะมิตรท่านก็ให้เว้นแล้วพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแยกแยกขายแล้วเว้นประการที่หกก็คือพิจารณาแล้วบรรเทามาจากคําวิโนธนะพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้เป็นต้นบางทีเมื่อกี้ยังสนทนาแบบนะนี่ถ้าบอกกับภิสูจนในพระธรรมวินัยนี้ยอมจะเข้าใจไหม เดีวคนนี้บออ๋อท่านสอนท่านเองใช่ไหมไม่มีเราอยูนะ่นั่นเรามีแต่พิกษุนในพระธรรมวิ น, นัยนี้ใช่ไหมที่จริงอะ่ะท่านเอาภิกษุเป็นประธานนะพิสูุในพระธรรมวินัยนี้พิกษุนนี้ในพระธรรมวินัยนี้อุบาสกในพระธรรมวินัยนี้อุบาสิกาในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระเจ้านี้เนี่ยพิจารณาดูแยกคายคือทําโยนิสโสมนัสติการแล้วย่อมไม่รับย่อมบรรเทาเนาะย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดไปย่อมทําให้ตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่ง ซึ่งอนไรดซึ the lesser lesser lesser lesser lesser lesser lesser lesser ่งกามมวิตกไอ้ความติดทำกรรมเป็น like บ่อยไหมคิดเรื like ่องกรรมมาพูนอ่าบ่อยไหมคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรือคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นในอดีตที่ผ่านมาแล้วเราผิดหวังสมหวังปัจจุบันที่กําลังได้รับผิดหวังสมหวังอนาคตที่จะได้รับก็ผิดหวังหรือสมหวังเป็นต้นเนีนะกามมวิตกพยาบาทที่ตกก็คิดยังไงคิดยังไงพยาบาทที่ตกก็คิดแล้วปองร้ายเข้ามา คิดแบบไม่มีเมตตาเคยไหมคิดแบบ น, นะคคบบนี้ส่วนวิหิงสาวิตกก็คือคิดเบียดเบีย น, ยนอันนี้เรียกว่าถ้าพยาบาทวิตกนี่ขาดเมตตาถ้าวิหิงสาวิตกก็ขาดกรุณาเนะ น, นี่ยขารุณนี่อัศวะที่ละได้โดยการบันเทาแล้วก็ประการสุดท้ายนี่สิสุดท้ายคือว่าพิจารณในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมกระทําให้มากซึ่งโพชงเจ็ดไอ ต, ตรงนี้จริงๆเรื่องยาวเลยนะเราไม่ไหวเราเตรียมเรื่อง คือว่าเจริญสติสัมโพชงเจริญธรรมวิเยรสัมโพชงคือการเลือกเป็นธรรมเนี่นะเจริญวิริยะสัมโพชงเจริญปีติสัมโพชงเจริญปัสสธิสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญเบคะสัมโพชงอนาศัยวิเวกอนายสเวลาคะอนาศัยนิโรธาน้องไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสละเพื่อบริจาคกิเลสนะไอ้กิเลหน้าบริจาคไหมอ้าโรพาโทสามโมหันกิเลนตัวไหนหน้าบริจาคก่อนเพื่อน ถ้าจะจะรับบริจาคโลภะก็ให้ทันน ะ, ะถ้าจะบริจาคโทสะก็ทำํำไงดีก็จะเลิญเมตตาถ้าเจรับเลักบริจาคโมหะจะเลิญอะไรดีก็จะเลิญปัญญานะก็ก็ไล่ไปในลักษณะนี้ทีนี้ในในในคําสอนที่กล่าวไว้นะที่จะกล่าวไว้ตอนสอนช่วงเช้าบอกว่าในคณิกาโมคลาณะสูตรว่าด้วยพรามชื่อว่าคณิกโมคลาณะนี่ยนะ พระพเจ้าได้สดระมาแล้วอย่างนี้คือท่านบ้านนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขามิครามาตามิครามารดานางวิสาขาทอยู่ต่อมาท่านได้ชื่อมีชื่อพ่วงท้ายมาว่ามิครามารดาคือเป็นมารดาของพิฆาตเสดสีก็คือว่าไปอยู่กับพ่อผัว ต, ต่อมาทําให้พ่อผัวเป็นพระโสดาบันได้พ่อผัวเลยกราบเลยกล็กราบเสร็จเสร็จก็ เ, เ, เ, เลยยกนางวิสาขาขึ้นเป็นแม่เลยเรียกแม่เลย เคยมีไหมเป็นลูกสะพ้ายอยู่ดีๆแล้วก็เรียกเราแม่พอ่พอพอ่อพ่อสามีเรียกว่าแม่เคยเคยได้ยินไหมในบ้านเราไม่เคยมีเนระับมีน้ำวิสาขานี่ได้อยู่ในฐานะเป็นแม่เพราะให้อะไรให้โอกาสแก่ทําพ่อของสามีนั้นเป็นพระโสดาบันทีแรกจริงๆเนาะทีแรกจริงๆนั้นพ่อของสามีเป็นวิชาที่ถี่เนี่ยแล้วก็นับถือพวกอกเกาเจระกาญพวกชีเปือยเนี่ยไปไปมามาๆๆก็ อ่าพ่อไปนิมนต์พวกชีเปือยมาเนี่ยพ่อไปไม่นุ่งผ้ามาเนี่ยนางวิสาขาก็ตกใจเลยว่ามิผ้าอะไรขนาดทำไมไม่นุ่งผ้าเนี่ ย, ยไปไปมาก็นางวิสาขาก็พุทธเจ้ามาที่พวกบรรดาพวกอาเจนะกาทั้งหลายเนี่ยนะพวกอาเจนกาที่ว่าพ่อของนางวิสาขานะ่ะถือก็เอาเอามัดมากั้นเาไว้วกลัวว่าพระพุทธเจ้าพูดทำมาแล้วเดี๋ยวพ่อนางวิสาขาจะได้ยินเดี๋ยวจะไปศรัทธาเขากลัวพระเจ้ากันมากในยุคสมัยขั้งพุทธกาลก็าบอกพระพุทธเจ้ามีมายามุ์ มนประเภทหนึ่งสามารถกลับใจได้ก็ตอนนั้นใช่ไหมตอนอุบาลีเข้ามาพอดีไปที่ว่าเป็นสาวกของนิคมนาถบุตรน่คนนาถบุตรบอกว่าอยกให้อุบาลีเข้ามาดีไปโตวาท่ากับพระเจ้าถ้าไปโตว่าท่าเสร็จแล้วจะได้เอาพระเจา้ามาเป็นสาวกทำไมทางที่ข้าปัสสีก็บอกว่าออย่าไปนะว่าพระเจ้าไม่ได้แล้วมีมายาขับใจคนได้คนถูกกลับใจไปนะเยอะแยะเลยท่านนิคมนาถบุตรก็บอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้ แล้าอุบาลีเขาทาดีแล้วไปเนี่ยมีแต่อุบาลีเขาหมดดีที่จะไปกลับใจพระเจ้ากลับใจกลับใจผู้เจ้าใยกลับเป็นสาวกไม่มีหรอกที่ว่าพระเจ้าจะกลับใจอุบาลีของดีแต่เป็นส่วนใดส่วนนึงก็โดนกลับใจจริงด้วสมัยนั้นพระเจ้าประทับที่นี่วิหารของนางวิสาขาไม่ไม่กรมานะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนีที่กุงสาวธีไม่เห็นทราบแล้วแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากวัดเชตาวนก็ไปเดาเดวนั่นเดินหนังหางก็ห้ากิโลก็สมมุติว่าตรงนี้ก็แล้วกัน แล้ว wow ก็ไปไปสันนิษฐานกันเอครั้งนั้นเนี่ยทางขณากาโมกขาณะก็เข้าไปป้าพระเจ้าทักทายปราสายกับพระเจ้าขันขามปานปราสายนึกถึงกันแล้วก็นั่งนั่ที่ควรส่วนขั้นหนึ่งข้างหนึ่งนะเพรานั่งเรียบร้อยแล้วก็ทูลกับพระผู้มีพระเจ้าว่าข้าแต่ก็โคดมผู้เจริญตัวอย่างเช่นปราสาสของนางมิครมาดาหลังเนี่ยย่อมปรากฏมีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับมีการปฏิบัติโดยลําดับคือกระทําข้างล่างขั้นบันไดชั้นล่าง แม้พวกพรามเหล่านั้นก็ปรากฏว่ามีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับมีการปฏิบัติโดยลําดับคือในห้องเราเรียนแม้พวกนักรบเหล่านั้นก็ปรากฏว่ามีการศึกษาโดยลําดับมีการกระทําโดยลําดับมีการประพฤติปฏิบัติโดยลําดับแม้แต่ในเรื่องการใช้อาวุธแม้แต่พวกผู้เป็นนักคํานวณโดยมีอาชีพในทางคาคํานวณปรากฏมีการศึกษามีการกระทําโดยลําดับมีการปฏิบัติโดยลําดับแม้แต่บรรดาพวกในเรื่องการนับจํานวนนะ พวกข้าพเจ้าได้สิทธิ์มาแล้วก็เริ่มให้นับวันหนึ่งหมวดหนึ่งสองมวด2 3งามวด3ามสหมวด4ี่ห้ามวดห้าไปต้นเลยนะจนถึงหมวด8ปมวด9กมวดสิเนี่ยย่อมให้นับไปถึงร้อยข้าแต่ท่านพระ โ, โพธิมู้เจริญพอพออาจได้ไหมหนอที่จะบัญญัติการศึกษาโดยลําดับการก ร, ร, ร, ระทําโดยลําดับและการประพฤติปฏิบัติโดยลําดับในพระธรรมนิยมัะนี้ได้เหมือนกันอย่างนั้นคือโมกระนั่นนะพรามบอกว่า เออแม้แต่ภราศาส์ของนางวิสาขามีขลามาดาเนี่ยก็มีการศึกษาโดยลําดับก่อนเนี่แล้วก็มีการกระทําโดยลําดับเริ่มจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนเป็นต้นไปตามลําดับยังไวิชาการทุกวิชาการมีการศึกษาโดยลําดับแล้วก็มีการกระทําโดยลําดับอะไรต่างๆไปเสร็จแม้แต่นักคํานวณเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาโดยลําดับแล้วก็การจะประพฤติปฏิบัติมีการกระทําเป็นโดยลําดับบอกเออแล้วในพระธรรมวินัยของพระพูทมีพระภาคเจ้าเนี่ยมีระบบแบบนี้ไหม มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับและมีการประพฤติปฏิบัติโดยลำดับแบบนี้หร like ือไม่ไปถามไหมพระพุทธเจ้าเขบอกว่าตามเราอาจบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในเข้าพระธรรมวินัยนี้ก็แปลว่าการจะเข้าสู่พระธรรมวินัยของพระโพมีุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นไปตามลำดับใช่ไหมไม่ใช่ลัดขั้นตอนเดี๋ยวเราจะบอกยี่เราไปความธรรมอ่าสี่ใช่ไหย ถ้าราว่ทาทําฟังทําสีบาทคาถาแล้วได้บรรลุแล้วเขาศึกษามาแล้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเลยนะเอาตรงนี้ก่อนนะเรื่องอัตมาคิดไปเองก็ไม่ต้อง่็ยอมคิดถึง ต, งตอนนั้นนี่อย่างยังไม่ได้คิดนะเปรียบเสมือนอะไรพระพุทธเจ้ า, าก็เปรียบเสมือนบอกว่าคนฝึกม้าผู้ฉลาดได้ม้าอาชาไนาตัวงามมาแล้วก็เริ่มต้นดีเดียวได้ม้าอาชาไนเนะี่ยไม่ใช่ม้ากระจอกนะเอาม้ากระจอกอาม้าอาชาไ น, น, นต่างกันตรงไหน คำม้ า, มากระจอกเนี่ยเอามาฝึกไม่ได้ฝึกยังไงมันไม่เคยเข้าล่องเข้ารอยหรอกถ้าเอามาสมมติว่ามาลากเวียนนี่นะบอกมันวิ่งตามทางแนละ้วมันโดดออกนอกทางเลยนะใช้ขอสับยังไงใช้เออใช้ขอสับใช้ไม้ตียังไงมันก็จะวิ่งออกนอกทางเลยไปเดียวเนี่ยทม้าแบบนี้ฝึกไม่ได้พระเจ้าเนี่ยถ้าได้ม้าอาชาไนามาแล้วเนี่ยบุญยาก็เริ่มต้นทีเดียวว่าให้ทําสิ่งที่ควรทําก็คือทําบางเหี้ยน ต่อจากนั้นก็ทำสิ่งที่ควรทํำยิ่งยิ่งกันไปฉันใดก็เริ่มคาบังเหียนใส่หลังอะไรต่างตามลําดับนี่นะค่อยๆฝึกไปตามระดับตถาคตได้บุรุษที่ควรฝึกมาแล้วครูเจ้าบอกว่าถ้าตถาคตทีนะได้ภิกษุได้ภิกษุณีได้อุบาสกและได้อุบาสกอุบาสิกาที่ควรฝึกแต่ว่าได้บุรุษอาชาในมาแล้วไม่ใช่เด็ม้ากระจอกมาใช่ไหมเออพวกเราเป็นอาชาัยได้ก็้ อ, องหน้ากันเจ็ดนี่ น, นะที่จะเป็นพระแบบ เป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบอาชัยในแล้วเอมันน่าทึ่งยดูจะเป็นอย่างที่พระเจ้าว่าไหมน่าคิดกันนะพอพระเจ้าบอกพอได้มาแล้วนะเริ่มต้นก็แนะนําบอกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามาเถิดเธอจงเป็นผู้มีศีลอันนี้ลําดับแรกนะพระเจ้าบอกเออเธอจงมีศีลนะสํารวมในปาฏิโมกขังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระในโคจระจงเป็นผู้เย็นใจในโทษไม่เล็กน้อย แต่ว่าหนึ่งให้มีวาติโมกสังวรสีนะ่ะเริ่มจะแต่ประชิกนะส 13, นะีน่ย 2, นสังฆาทิเตศสิบสาอันนี้ยอดสองนี่สกีอาไปปีามสิบปลายปีเก้าสิบสองปฏิเทศนิวะยะสีเนี่ยเซกียวัตเจ็ดสิบ้าเน่ยนั้นไล่ไปตามลำดับเนะี่ยแล้วให้เห็นโทษนะแม้แต่สิกขาบทเล็กๆน้อยเห็นโทษนะว่ามันเหมือนมีโทษมากก็คือว่าท่านโอมามัยโมามว่าเห็นอาบัตทุกขกดเหมือนหนักหรือยิ่งใหญ่เท่ากับภูเขาสีเนลู หรือเหมือนเห็นยังไงดีถ้าเราล่วงละเมิดศีลขาบทแม้เพียงข้อเดียวเหมือนก็โอ้เห็นไฟในโลกันเลยว่างให้ให้ใ ห, ให้เห็นไงพวกเราลองคิดดูว่นโอ้แต่เราผิดปนานาธิบาศก็ดีล่วงละเมิดปาณาธิบาศอธินาทางการเบสุวิชาฌานมุสาวาตปิสุณาวาจาพริสวาัจาเ ป, ป็ตนต้นนะี่ยนะจะถึงเดือนธันวาเลยเหมือนเราเอาตัวเองเป็นโดดเข้ากองไฟเป็นร้อยวันเลยว่าไงคิดอย่างเนี้นะโทษมีมากขนาดนั้นแต่คิดอย่างนี้นะก็กลัวอะไรแต่เนี้ย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายสิกขาศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเอามาทำเอามาไถ่ตัวเอามาพิจารณานะเอามาเกิดขึ้นในกระแสขันใหได้รามเมื่อภิกษุเป็นผู้สํารวมในปฏิโมกสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระโคจรอยู่อย่างนั้นย่อมินไปในโทษไม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพระเจ้าเป็แนะนําเธอยิ่งยิ่งกันไปนะให้ตั้งโยนิโสมนาสการให้ยิ่งยิ่งกันไปกว่าภิกษุเป็นต้นเลยนะ เธอจงเป็นผู้คุ้มของโอ้อุศลรสีดีแล้วในชั้นในชั้นปาฏิโมกสังว ร, รก็ไล่ต่อไปว่าอ้าต่อไปปิดบาปทำงทาวานตาโอจะบุกดิ้นกาใจเห็น ไ, ไหมเป็นไปตามลําดับไหมเป็นไปตามลําดับเลยยังไมาบอกว่าอ้าในพื้นฐานคือว่าอุศณรสีแบบปฏิโมกสังวรศีลแบบสีห้าของคุณนี่แข็งแรงแล้วอสีห้าพอดีสีแปดพอดีสี 10, สิบสีเก้าเต้นเนี่ยแข็งแรงดีแล้วแต่ว่าโอ้ไม่ดังไม่พลอยไม่ทะลุไม่เป็นูและไม่ขาดแล้ว บอกว่าจงเป็นผู้คุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นโลกด้วยจักขุจงอย่าถือโดยนิมิตอย่าถือโดยนุพยัญชนะปฏิบัติเพื่อสำรวจอินทรีย์เห็นโลกด้วยจักรจักรโคเห็นโลกใช่ไหมไอ้ตัวจักาารโคนี่หมายถึงตัวไหนตัวจักรโประสาทหรือหมายถึงจักโรโคอญญาณติพูจักรโคประสาทภาพทิ้งไปถึงจักรโคอุญญานะจักรโคอุญญานตินเห็นโลกแต่เราไปเห็นคนนะสังเกตดูดีเราเนี่ยเห็นทะเลทัหมดเลยนะ เดีนี้เป็นยังไงโอ้โหเป็นไงช่วงนี้ทําไมดูร่างซมำดีบ้างดูดูผมต้องอะไรก็ว่าแบบนี้มองก็ะเดิเลยเขาบอกว่าไม่ให้ถือนีิมไิตถืออนยญาพยัญชนะถือนีิมิตถือยังไงโอคนนี้รูปร่างงามคนนี้รูปร่างไม่งามเนี่ยนะถ้าเอาอนุพยัญชนะก็โอ้คิ้วงามตางามเนี่ยปากงามจมูกงามผิวงามผมงามเนี่ยนะตั้งไหนถือถืออนุพยัญชนะ ก็คือการปิดบาปนะสรุปก็คือตาเห็นลูกใจไม่เป็นบาปหูได้ยินเสียงก็ปิดบาปได้จมูกดมกลิ่นก็ปิดบาปได้นะแล้วก็ลิ้นสัมผัสรสอาหารเมื่อสักครู่ที่ไปทานอาหารกันมาปิดบาปได้ดีนะต้องสารภาพมาที่เอาพูดตรงๆที่ไม่ให้โลภะเกิดหรือโลภะโทสะเกิดบอกเมื่ออาหารวันนี้ดีแล้วเกินอาหารวันนี้ไม่ดีเลยาาวิปลาสอาจารย์ในใจไหมรู้อย่างนี้ซื้อติดมือมาพอดีไปแล้วมีทิ้งไหมหรือว่าโอ้โหอาหารวันนี้ดีแล้วเกิน ม, มีมีมีแอบพกใส่ห่อกลับบ้านแต่อย่างนี้นะไม่ใช่สำรวมระวังเลยเนาะเขาต้องปิดบ่าถามเมื่อภิกษุเป็นผู้ค้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายได้ตถาคตก็แนะนําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถึงไหมเนี่ยแนะนําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกว่าเธอจงเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะบริโภคอาหารพิจารณาโดยแยบคลายไม่ใช่เล่นไม่ใช่เพื่อเมามันที่เนี่ยยศสมรัติการแล้วก็พิจารณาในการ ไม่ใช่เพื่อเองมานไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งร่างกายเลยบริโภคเพียงเพื่อการดารงอยู่ได้แห่งชีวิตเพื่อบรรเทาความลําบากเพื่ออนุเคราะห์ธรหมจรรย์แปลว่าอะไรพรมอาจารย์ที่สูงสุดคือมรรคพรหมจรรย์เนอะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์นี่ยก็จะทำโสดาปฏิมาให้เกิดขึ้นก็จะทําสกัธาตุามีมรรคอนาธาตามีมรรคอะไรจะมาเฮ้ยเคยคิดแบบนี้ไหมเป็นความคิดที่ฝ่ายสูงเกินไปไหมแต่เราจะฝ่ายหลวกุฏิราชถือว่าฝ่ายสูงไหมมองกว้างไหม คือมองกว้างนะไม่มองแคบนะมองกว้างมองไกลนะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่อฝ่ายสูงนะเขาไม่เรีาฝ่ายสูงอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งอุดมการไว้ไว้ชัดเราต้องการที่จะไออนุพครอ์พรหมจรรย์เนนะี่ยอุบาหอย่างนี้เราจะป้องกันเวเวทนาเก่าเนาะไม่ทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นและความเป็นไปอย่างชีวิตความไม่มีโทษความเป็นอยู่โดยพระสุขจะมีแก่เรานะ่อันนี้แปลว่าไ้มพระองค์ก็จะแนะนํายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็พุทบอกว่าเมื่อ ร, รู้จัิก เมื่อเธอรู้จักประมาณในโภชนาแล้วว่าจะสอนแนะนําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถามว่าเวลาเราปฏิบัติเราทําแบบนี้ไหะถ้าไม่อย่างนี้เขาเรียกไม่ปฏิบัติเป็นไปตามลําดับนะเคยไหมพกเครียดว่าอยากจะเข้าไปอยู่ฝา่าบนทั้งๆที่กุศลศีลย่อไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเคยเคยเป็นไหมใชีวิตบางทีบอกเออวันนี้เครียดมากงานก็ยุ่งโอ้โหมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ก็ยังศีลทุกศีลเต็มไปหมดนี่นะไม่เคยได้อบรมกุศลศีลมาเป็นมีกําลังพอสมควรเลยว่างั้นเถอะ ไม่ไดีพื้นฐานจากกุศลราศีไม่ไดีพื้นฐานจาอินทรีย์สังวรไม่ไดีพื้นพื้นฐานจากโคชเนมัตตัญญาตไปต้นเนี่ยไม่ไหวแล้วไปขอเข้าไปฏิบัติสักพักห น, น, นึ่เป็นไปตามลาดับไหมอันนี้ไม่เป็นแล้วนะนี่ไม่เป็นแล้วเอางี้เราจะไปเชียงใหม่แต่เราจะไปแบบไม่เป็นไปตามลำดับไปจะกระโดดให้ถึงเลยทีเดียวได้ไหมไม่ได้น้องไปเป็น ไ, ไ, ไ, ไปตามลําดับเนาะ พรามในเมื่อรู้จักประมาณในโพชนามาเถอจงเป็นผู้ประกอบหนึ่งเนืองเป็นผู้ตื่นชําระจิตให้บริสุทธิ์จาก อ, อ, อาววรเนื้อธรรมก็คือว่าออกจากนิวรณธรรมอ่ะด้วยการเดินจงกรมและนั่งตลอดวันชําระจิตให้บริสุทธิ์ด้วย อ, อาวรเนื้อธรรมทำเครื่องกัจจีขวางเนะี่ยด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามอมเท้าซ้อนเท้ามีสติึกทําความสําคัญหมายในอันที่จะลุกขึ้นโดยสิทธิญาติพต่ น, น้องในนี้ตรงนี้ก็คือว่า เป็นการที่ทำความเพียนด้วยการที่ไม่ให้บาปอกุศลมารั่วควรที่จริงเวลาท่านเดินเนี่ยเวลาท่านไข้ควรต่างๆเหล่านี้นะในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนท่านแปลว่าท่านมีกรรมฐานแล้วนะตอนนี้นะท่านเป็นไปกับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านไข้ควหรือพิจารณาเนี่ยามเมื่อบุคคลเป็นบ่วงประกอบเนืองๆซึ่งทําเป็นเครื่องเตือนอยู่เนี่ยนะสถานคย่อมแนะนําให้ยิ่งๆไปก็คือให้เจริญสติสมประชันญาณในฐานะเจ็ เมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะอยู่ในยาบท4ี่เนีเดินก็รู้ชัดเป็นต้นในรายละเอียดก็พ่อพี่จับดูทีนี้ต่อไปก็คือเจริญสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดทำความรู้สึกตัวในการกล้าวไปในการถอยกลับในการแลในการเหลียวในการคู่เข้าเขียดออกในการทรงผ้าสังคติบาตรและจวรจะเป็นคารวะกระนุ่งห่มนีแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในเวลาฉันเวลาดื่มเวลาเที้ยวเวลาลิ้ม เวลาถายเจะละปัสสวะเวลาเดินยืนนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งมาทําไงอ่ะเอางี้นะซื่งเวลาเขากาหนดเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่เดินเนี่ยในขณะที่เดินเดินไปเนี่ยแล้วไปหยุดอยู่เนี่ยนะเขาบอกรู ป, ประธรรมอรู ป, ประธรรมเนี่ยจิตได้ความคิดก็ดีรูปธรรมอรูปธรรมเป็นต้นที่เป็นไปในขณะเดินเนี่ยมันจะหมดไปในขณะที่ยืนนะพอยืนปั๊บเนี่ย อากับกิริยาในการเดินจิตที่คิดจะเดินไปต้นมันหมดไปเลยนะมันหมดไปแล้วทีนี้พอเรายืนอยู่อย่าเงี้ยนะพอเรากลับมานั่งปุ๊บเนี่ยลองใค้ควรกลับนึ่บอกเออรูปธรรมเอารูปธรรมที่เป็นไปในขณะยืนเนี่ยกับไปแล้วในขณะนั่งนี้ไปต้นนะนะเหมือนการคณิยะธรรมาพูดเนี่ยพูดพูดไปพูดพอจะมาหยุดปุ๊บเนี่ย้รูปธรรมนี้รูปธรรมที่เป็นไปในขณะพูดมันหมดไปในในขณะที่หยุดเนี่ย พอหักหยุดปุ๊บแล้วต่อมามาพูดใหม่เอยรูปประทามเปรูปประทามในขณะที่นิ่งเนี่ยมันหมดไปแล้วเน่ในขณะพูดอย่างนี้นะใครเคยใช้สติตามลึกฝึกขัดขัดเรานี้บ่อยๆไหมท่าในลักษณะนี้เขาเรียกทําสติสัมปชัญญะในฐานะเจตประการต่อมาก็คือพุทเจ้าก็บอกวัวนี้เข้าปากแล้วไปเสด็จเสนาธนะที่สง่ที่ป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้าป่าช้าป่าชาดอไอย่าเงี้ยเริ่มเข้าห้องกรรมฐานใครมีใครไม่ฝึกสติสัมปชัญญะในฐานะเจตก่อนจะทำทำงานแล้วไปเข้าห้องกรรมฐาน ดีไหมเห็นไหมเนี่ยลำดับขั้นตอนว่ไม่เป็นไปตามลำดับไม่ไม่ศึกษาไปตามลำดับไม่ประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลำดับเข้าใจยังอย่าแปลกใจนะถ้ามันไปแล้วมันจะโดดกลับมาใหม่อะ่ะเพราะมันโดดมาหลายร้อยชาติแล้วเห็นไหมไปก็โดดกลับไปก็โดดกลับจนมาต้องมองหน้ามองหน้าคุยทรรมากั น, นทีละ ว, วันแปลว่าโดดโดดมาหลายรอบแล้วนี่พวกเรานีนะที่แปลว่าโดดร่มได้ไหมไม่ได้ <laughs> ก็แปลว่าโดดกลับมาหลายครั้งนะ ภายหลังจากวินาศบาตรแล้วก็นั่งคัตสมาที่ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าละวิชชาพิงเล็งในโลกแล้วมีใจปราศ จ, จากอาภิชาอยู่ชําระจิตให้ปราศ จ, จากอาภิชาคือโลภละโทษคือพยาบาทได้แล้วเป็นผู้ีไม่มีพยาบาทนะอนุเคราะห์ด้ความเกือ้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากความชั่วคือพยาบาทละถีนมิทะความง่วงเหงาเป็นผู้มีจิตปราศ จ, จากถีนมิถะ มีอารมณสัญญาสําคัญว่าสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนามิทะได้ละอุทธะจักภูปุจจกได้ละความพุ้งซ่านลาคานใจได้แล้วเป็นผู้ไม่พุ้งซ่านมีใจสงบภายในอยู่ย่อมชําระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธะจักภกุจจกได้ละวิจิกิจฉาได้แล้วเป็นผู้เว้นขากจากวิจิกิจฉาไม่มีปัญหาอะไรในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชําระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้คั้นล้านนิวัณแล้วย่อมเป็นผู้ทําใจให้ ไม่เศ้ามองเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่นะการเจริญการเจริญในการทีจะร้านิวรธรรมเนะี่ยท่านพูดถึงในขั้นตอนของอุปจารสมาธิก่อนเห็นไหว่าเจริญสติสัมปชัญญะนี่ก็ง่ายมากในการที่จะป้องกันนิวรธรรมถ้าหากคนเรานี่นะทําสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดค่อนข้างชัดนะในการก้าวไปถอยกลับในการแลการเหลียวคู่เข้าท่านพันนันท่านานีนนนนนน่ชัดมาก ท่านพนันท่บอกว่าเวลาท่านพนันท่าจะเหลียวดูทางทิศเหนือที่ใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยพนันท่าก็จะพิจารณาดูบายแยบคายว่าถ้าตนเองเหลียวไปในทิศเหือนี่บาปอกุศลธรรมอันลามกจะไหลท่วมทับกระแสจิตของเราหรือไม่เนาะพอไข้ควรเบ็ดเสร็จแล้วบอกว่าท่านจะป้องกันบาปอกุศลธรรมอันลามกไม่ให้ท่วมทับกระแสจิตของท่านได้ท่านจึงเหลียวไปโอ้โหนี่ถือว่าสติสมบูชัญอย่างท่านชํานาญมากใช่ไหม เราไม่ค่อยคิดก่อนนะเหลียวไปแล้วไปคิดทีหลังหม้ไม่น่าเหลียวมามองคนนี้เลยเหลียวเรโว้เราได้ทุกๆปีเนี่ยนะแต่ท่านจะคิดก่อนแล้วเหลียวอ่ะในการแลในการเหลียวอ่ะแลตรงเนี้ยกับแลเหลียวคือแลรอบรอบข้างแลตรงนี้คือแลไปตรงตรงท่านใข้ครวนก่อนคือโยนิสมบนริการพิจารณาก่อนเมื่อทําโยนิสมบนริการเป็นไปก่อนแล้วก็ก็แลตรงการแลตรงของท่านก็คือไม่ให้บาปปรากฏตัวและทำอันลามกไหลเข้าสู่กระแสจารกระแสจิตของท่านเนาะ เพราะถ้าไหลก็ามาสู่กระแสจิตของท่านเน่ยถ้ท่านจุตติมรณาภาพลงในขนาดนั้นท่านก็มีอบายทุกข์สิ้นนิบาตจะลบเป็นไปในเบื้องหน้าท่านกลูวกังวลขนาดนั้นนะท่านจึงไม่ทําอย่างนั้นเวลาจะแลเหลียวทัทง้ทงทงั้งซ้ายทั้งขวาเป็นตัวเหล่านี้ก็เหมือนกันท่านกม็มานสิการก่อ น, อนว่าการแลการเหลียวนี้ม่ให ม, ม่มันอาจจะเงืงหะนะแต่พอพิจารณาจนช่ำชองจนชํ า, ช น, ชานาญแล้วเนี่ยกลายเป็นอัธยาศัยที่ปกติก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยเราทําไมแลเหลียวกป็นเร็วมาก เพระโลพาโทสาวิ่งเร็วมากใช่ไหมโลพะโทสาว่าอลองมีใครสะกิดสมมตินั่งอย่างนมีใครเสียงด่าใกล้ๆเราแค่เสียงด่าเสียงด่ากระซิบกระซิบเตียวหูเราจะเหลียวอย่างเร็วเลยใช่ไหมเอ๊เราก็จะมาฟังทำใครมาด่าเราข้างๆอย่างนีอย่าไปอย่าไปทําจริงนะสมมติแค่นั้นนะยังไก็เอ๊พ่อบอกล้วแล้บอกเอ้ลงด่าข้างๆก็เลยมาแอบกระซิบด่าเพื่อนข้างๆนี้ไม่ได้ก็อีกอย่างก็คือ บางทีไม่ต้องด่าแค่เราก็ตั้งใจจะฟังตามอีกคนนั่งกลนข้างๆเรายังโกรธเลยใช่ไหมเคยไหมไอเราก็จะตั้งใจฟังทรรมอีกพวกคนมากลนใส่หูเราคลอกๆนี่เราจะโกรธไหมน่าโกรธใช่ไหมเอ๋หลับก็ไม่หลับอย่างนี้นั่งกลอนก็อย่งี้เคยเคยอยู่ใกล้ๆคนกลนถึงดังเคยแล้วพิจารณาไงใช้โยนิสมราชการยังไงลุกขึ้นใช้หรือเปล่ บางทีนนรูกหลายรอบเลยเมื่อมาดูแลมันมึนงจริงๆถ้าคนก็มีโยนที่สมนักสิการก็บอกเขาไข้ค น, น, า น, านก็พิจารณาก็กันบาปกระดุรดและทำในลาภโน้นเลยหอควาสามารถพิจารณาได้แปลกดีไหเออไปพิจารณาดูพิจารณาไงตรงนั้นพิจรารณ า, า, นะาอัฏถานนะรู้ไบอกว่าเออเราก็เป็นแบบนี้แหละยังไม่ยงที่อัฏฐาที่เขาแสดงวันนี้ไม่เป็นวันหน้ามีโอกาสเป็นไหม มีโอกาสเป็นเขาจะเป็นไซนัทเหมือนไรก็ได้ไม่ยากเลยลํากลอนหรือเราจะหนักกว่าเขาก็ได้แต่ เ, เราไม่รู้สึกก็ได้ใช่ไหมพิจารณาอย่างนี้โอ้นี่เป็นอย่างนี้นะไม่การมีรู ป, ปรขันมันก็เป็นข้ว อ, อย่างนี้บริหารยากดูแลยากใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็โรคไซนัดเดี๋ยวก็โรคอะไรต่างๆลิซิโดงจะมุกไม่ต้นไม่นอนเกินพอแก่ตัวไปก็เอาเแล้วแต่ที่ลําบากนี่จะเป็นอย่างนันอาตมาบางทียังมีเสียงได้ยินเหมือนกันยบางที ไอ้กนอนนอนเลยกหนไอ้เสียงเสียงดังไว้ตกใหญ่เอนี่ไม่ดีเลยนี่โอ้ัก่เยไอ้ก่อนเคยนึกนึกนึกนึกขำๆเขาเหมือนกันเออแต่นี้ไม่กลัวก็ไม่กล้าขำเลยเดี๋ยวมันจะบำกามยึดส่งผลเนี่ยตามลาดับลักษณะนี้นะรานนีววธรรมแล้วก็เข้าสู่ปฐมพระชันทุติยชานตัิยาชันมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นเป็นไปตามลาดับก็จะถึงสจตุทะชานแล้วก็นอกจากจตุทชานน่แหละเป็นปัจจัยแก่การเจริญสติสัมปชัญญะเป็นต้นแล้วก็เจริญวิปัสนา สามารถจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นต้นได้อันนี้เป็นไปตามลำดับนะที่ท่านบอกว่าเราพรัฒนสอนอยู่ปานนี้ส่วนพิษสมัสมก็บอกว่าลำดับพวกพิจูที่เป็นเศคายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่สามารถทําอาราธมารเป็นต้นให้เกิดขึ้นยังปรารถนาธ ร, รมที่กเกษมจากโยคะคือกามโยคะเป็นต้นยังหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้อยู่นั้นเรามีการพรั่นสอนเห็นปรานชนี ส่วนพิสูจน์พวกที่เป็นป้าราหารฉีนาศพอยู่จบพรมอาจารย์แล้วทำกิจที่ควราทาทำเสร็จแล้วปงภาระคือปองรูปปันหาเวทนาสัญญาสังสามวิญญาณนขันได้แล้วถึงประโยชน์อันสูงสุดเป็นไปตามลำดับสิ้นสังโยชน์ในพรบแล้วพ้นวิเศษแล้วพอรู้ชอบแล้วทําเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่สบายเป็นสุขในปัจจุบันเพื่อสติและสมปัญญะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทำคณะกะโมฆะลานะได้กาบทุนกับพระพุทธเจ้าว่าพระโคดมผู้เจริญว่างั้นนะ ท่านพระโคโดมโอวาห่ามสอนอยู่อย่างนี้แปลว่าคาสอนของพระเจ้าเนี่ยสมบูรณ์ทั้งอัฏฐและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดและมีการสอนแนะนำขั้นตอนการศึกษาการประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลำดับอย่างนี้เนี่ยทุกคนที่เข้ามาสู่ในพระธรรมวินัยของพระผููมีประภาคเนี่ ไม่ว่าจะเป็นภิกษุพิษุนีอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยบรลุเป็นพระนิพพานทุกคนหรือ่ถามเลยเพราะคำสอนที่ขนาดบอกชัดทอยชัดคำขนาดนี้แล้วใช่ไมไม่น่าจะเปยออกนอกทางได้จะบอกให้การปฏิบัติเป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะขั้นตอนที่หนึ่งอย่างนี้สองส6มสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเนี้ย คงไม่มีเป็นแน่แท้ที่จะมีประเภทกระโดดสองกระโดดสามเนี่ยสลับกลับไปกลับมาเนี่ยคงจะต้องมีคนประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลำดับเพราะเป็นการสอนที่สมบูรณ์ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิบธ์บริบูรณ์สิ้นเฉิงด้วยแล้วก็สอนโดยสัพพัญยุตยานด้วยมันเป็นบารมีมาเพื่อจะสอนเพื่อจะบอกเพื่อจะดึงสัตว์หรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรด้วยเนี่ยถามว่าไปวิปทานกันทุกคนไหมอันนี้น่าคิดมากนะทีนี้ทุกโรคทีเดียวหรือที่หรือว่าเนี่ยไปต้นนะ พระเจ้าบอกพราหมณ์สาวกของเราอันเราโอวาทพร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกเพียงส่วนน้อยเนี่ย <Yeah. S 1> ส่วนน้อยสําเร็จนิพพานอันมีความสําเร็จร่วงส่วนด้วยส่วนเดียวบางพวกส่วนมากไม่สําเร็จเอาเลยสิเนะี่ยแปลว่าอะไรร้อยคนเนี่ยจะได้ส่วนน้อยประมาณสักหาตรงนี้นะประมาณสักห้าไม่รู้สื่อหรือเปล่านะสมเนินเนี่ยนะครับอาจารย์เอาเลยสิ ทีนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยนิพพานก็มีอยู่ทางคืออริยมรรสสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปสัมมาวจาสัมมาธรรมัตสัมมาอาชีวสัมมาวายมัสัมมาสติสัมมาสมาธิของมีอยู่ท่านพระโคดมคือพระผู้มีภาคเจ้าบำเพ็ญบารมีมายี่สิบประสงค์ขายยิ่งโดยสอนแสนกลับเลยนะตรัระธรรมโดยหมากริยญาณนะสมัยุติจิตเนี่ยด้วยสมัยยุติญาณทุกถ้อยทุกคาเนี่ย ฉลาดนี่อัฏฐะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรุรณสิ้นเชิงเนี่ยแสดงทำ ง, งานในเบื้องต้นนำกลางในที่สุดเนี่ยเป็นไปตามลําดับเนี่ยผู้ชักชวนก็ยังมีอยู่แต่สาวกของท่านพระโคดมมันท่านพระโคดมโอวาทพรสอนอยู่อย่างนี้บางพวกเพียงส่วนน้อยได้สำเร็จพระนิพพาในในเดรรุ่เนี่ยส่วนมากไม่สําเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพออเพราะอะไรพระเจ้าถามถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านพระเจ้าย้อนถามเลยบอกว่า ท่านชอบใจอย่างไรก็ให้พยากรณ์ให้ตอบอย่างนั้นท่านจะสําคัญความพ่อนั้นเป็นเช่ไหนท่านชนานาญทางทางที่ไปกรุงราชคฤห์เนี่ยท่านชนานํานาญยังไงอาตมาพูดถึงตอนนี้วันก่อ น, อนที่ไปนู่นใช่ไหมยอมก็บอกไม่ไปทางนี้โอ๊ยไฟใหญ่เลยเธอเลืกเป็นอย่างนี้ไม่รู้เป็นอะไรอาตมานั่งรถที่ไหนคนขับรถหลงหมดแล้วปันเรองแปลกมากยอมลองลอ ง, ลอ ง, ลองดูสิใครที่ขับรถเก่งๆลองมานั่งให้อาตมานั่ง ลองทุกลองดูแล้วอาจจะมาหลายคนเลยนะเนี Susan, mm ่ย hmm. นี่เป็นเรื่องจริงนะนั่งขั้นไหนบนถับรถหลงแปลกหลงทางหรืออาจจะมาจงใสจะหลงมากก็บอกไปเลยก็ปหลาดจริงต้องใสกรรมกรรมที่ไม่ค่อยบอกทางคนนี่เลยนะหรือบอกแบบคุ้มเคือบอกทางแบบคุมเคืออย่าลืมนะบอกทางคนนี่เป็นบุญนะแต่ต้องบอกถูกนะถ้าบอกผิดเนี่ยโอ้โหบาปบาปบาปนะเนี่ย ที่ก่อนนไเจอแขกเอกถามทางเขาชี้ไปทางโอ้โหไปยุ่งเลยเนี่กลับแช่ไม่ถูกโอ้โหแล้วภาษาแขกพูดง่ายทั้งหมไรลย้่พูดยากไปอยู่เมืองแขกนี่ั้งปวดไม้ปวดมือหมืยอกมือยอกไม้คุยกันไม่ค่ยรู้เนี่ <c oughs> บอกทางคนนี้เป็นบุญก็เอ่อ พระมาเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นชี้ทางชี้ทางเกี่ยวกับพระ พ, พ, พระปฏิเจกบธเจ้าเห็นไหมอันนี้สงฆ์แคชี้บอกทางแต่เป็นมาเหสีของพระเจ้าจะประพันธ์เลยนั้นหัดบอกทางคนบอกแม่นแม่นหน่อยบอกให้ละเอียดบอกคุณอย่าใจร้อนม่าบอกก็เป็นบุญ น, นะบอกแน่นอนพระเจ้าข้าว่านั้นนะแล้วถ้าหากบอกทางอรอยิยมรรคบอกผิดเนี่ยเป็นโทษั้ม โอ้น่ากลัวนะอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดงั้นถ้าจะบอกสัมบอกสัมมามรรคบอกอริยมรรคบอกทางพระนิพพานเนี่ยต้องบอกตามพระพุทธเจ้าแน่นอนอย่าไปบอกตามใจเราเองนะเพราะใจเราเองยังเป็นผิดม า, มากๆแล้วในสงสารวัตรใช่ไหมชี้กันผิดเยอะแยะหมดเลยไปๆมาๆคนบอกก็อย่างที่อาตมากูดตูวเจ้าตาดีจิจุงสะทาตาบอด ตู้เจ้าไปบอกหอดศรัทธาตาบอ่จูงตู๊เจ้าตาดียุ่งเลยภาษาเหนือไงแต่มาทาไมเยอะแยะแป๊วอะไรแตมางงไอ้ตู้เจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบ่ด้วยไไม่มันกล้าก็เหมือนรู้มาทํารมก็มานี่ยยอมมาฟังทำเนี่ยจะมาเทศนครับตามอาจะมาตามไปตามมาพระยังไม่ได้บรรลุทำอะไรเลยยังจูงไปจูงมาวนนี่แล้วยงงยงยงยงวาท่าน ท่านตามยอมนี่เปล่าอย่าอยู่เลยออกมาแล้วนอกอนี่ยมย้อมอาจจแม่นกับท่านว่างั้นเรียบร้อยเลยสัทธาตาบอดจูงตุต้ตู้ไอ้เจ้าพะนะสัทธาตาบอดจูงตุ้เจ้าออตาดีอยูบอมามาที่ยอมนี่ีกว่าชัดเจนอยู่อย่างงั้นเหง า, าท่านว่างั้นไปเ ล, เลยเลยเลยให้ยอมจูงเลยแต่นี่จะไปจูงย้อมถามท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยบุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชเครื่องมีอยู่ พึงมาในสำ น, นักของท่านแล้วท e ่านก็พูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงชี้ทางไปกรุงราชคฤห์ข้าแต่ข้าพระเจ้าเถิดท่านถึงบอกอย่างนี้ว่าพ่อมาจำเริญมาเจอทางนี้ไปกรุงราชคฤห์ท่านจงไปตามทางนั้นชั่วคู่แล้วก็จักเห็นบ้านชื่อนู้นไปตามทางที่โน้นคู่หนึ่งแล้วก็จักเห็นนี้คมชื่อนู้นะไปตามทางนั้นชั่วคู่หนึ่งก็จะเห็นสวนที่หน้าลื่นลมป่าที่หน้าลื่นลมภูมิภาคที่หน้าลื่นลมสะโบคกรณีที่หน้า รื่นลมของกรุงราชพฤก์บุรุษนั้นอันท่านแนะนําท่ำบอกแล้วก็อย่างละเอียดนี่นะจับทางผิดไพ่ไปเดินทางตรงข้ามต่อมาบุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปกรุงราชคฤกษ์พึ่งมาในสํานักของท่านเขาก็ถามท่านเหมือนกันท่านก็ตอบไปเหมือนเดิมแต่ว่าพึงบอกแกเขาว่าพ่อมหาจำเนินมาเจอทางนี้ไปกรุงราชพฤก์ท่านก็บอกไปตามนั้นชั่วครู่หนึ่งจะเห็นป่าไม้จากป่าไม้ก็เห็นนิคม จากนิคมก็ไปเห็นสวนที่น่ารื่นรมจากสวนที่น่ารื่นรมก็ไปเห็นสระโบกคารณีแล้วก็จะเข้าถึงกรุงราชคฤห์บุรุษนั้นอันท่านแนะนําพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ไปถึงกรุงราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพราหมณ์อะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยเมื่อกรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ทางไปก็มีอยู่ท่านที่เป็นผู้ชี้ทางบอกก็มีอยู่แต่ทําไมบุคคลสองยมพวกเนี่ยบางคนก็จับทางผิดบางคนก็จับทางถูก ไปถึงกรุงราชเกิดได้โดยสวัสดีอะไรเป็นปัจจัยทามบอกว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองจะทําอะไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางไม่ทําอะไรได้ไหมฉะนันพระพทุทธเจ้าเนี่ยเป็นแต่เพียงผู้บอกใช่ไหมอริยมรรคมีอยู่ไหมพระพุทธเจ้ามีอยู่ไหมตอนนี้มีไมหมมีมีไหมมีอยู่นะพระธรรมแปดหมื่สีันพระธรรมอาการมีอยู่นะ พระพุทธเจ้าแปดหมื่นสีพันองค์มีอยู่ในพระไตรปิดกนะอยู่ในพระวินัยพีรดกสองหมื่นหนึ่งพันพระสุตตันตปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันแล้วก็พระวิทามีิดกก็สี่หมื่นสองพันรวมเป็นแปดหมื่นสี่ันองค์นี่นะยังมีอยู่นะในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่กับพวกทุรพรามฉันนั้นเหมือนกันในเมื่อนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราผู้ชักชวนก็มีอยู่แต่ก็สาวกของเราอันโอว่าคร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกส่วนน้อยสําเร็จพระนิพพาน ตามสําเร็จจนถึงที่สุดบางพวกไม่สําเร็จทางในเรื่องนี้เราจะทําอะไรได้สถาคตเป็นแต่เพียงผู้บกทางท่างนะั้นตรงนี้ก็มาพิจารณาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทางคณะกาโมฆคาณนะได้ทูลกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญบุรุษบุคคลจําพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธานะไม่มีศรัทธาประสงค์จะ เลี้ยงชีวิตออกบวชโป้โอวดมีมายาเจ้าเล่ยพุ้งซานยกตัวกับกรอกปากล้าพูดพลาดโอ๋โแค่พอเดียวก็จะไปไม่รอดอเลยโอโอวดมายาเจ้าเล่ยพุ้งศานยกตัวกับกรอกปากล้าพูดพลาดไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จะประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นไม่นำพาในความเป็นสมณะไม่เคารพในศิคขาสามมากไปด้วยอะไร พระพุธมากมากพระพุธยอดหย่อนเป็นเป็นหัวโจกในทางเชิงแชร์ครับป็หัวโจกในทางเชิงแชร์เขาจะนะชอบเป็นน้ำออกท่านอกทางเคยเคยไม่บางทีเนี่ยเราเคยคบเพื่อนบางทีไม่เคยชวนเราก็หาทานกุศลสิ่งกุศลภาวนากุศลนะจะชวนไ้มวันนี้ภาพยนตร์ใหม่ๆมาอยู่เรื่องหนึ่งดีด้วยเคยเจอพวกอย่างนี้ไหมอย่าลืมไปดูนะดูโอดีจริงๆอย่างเนี้ยนี่หัวโจกนะเนี่ยหัวโจก เชื่อเนี่ยบอกว่านอกไงทอดทุระในวิเวกไม่มีกายวิเวกจิตวิเวกอุเวิเวกไม่ต้องพูดถึงเกียรติฐามีความเพียรเร็วความเพียรเร็วเป็นไงความเพียรเร็วนี่เป็นไงความเพียรที่ประกอบกายกุศลเนี่ยความโลภมีความเพียรประกอบไหมความโกรธมีความเพียรประกอบอยู่ไหมความพุ้งซ่านมีความเพียรประกอบไหม หลังเลสงสัยมีความเพียนประกอบไหมเอาความงดเอความม่วงหรืมีความเพียนประกอบ ม, มั้ยมีไ ม, ม่อม่ความท้อค อ, อถอยจับบอกว่วันนี้เราทํางานมาเหนื่อยแล้วอยากกันนั้นเลยวันนี้หยุดก่อนอย่าเพึ่งเจริญกุศลแล้วเลยใช่ไหมมีนะโอ้หวันนี้เราเพียรมาทั้งวันเลยไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะเจริญกุศลโดยการทําวัดจดมนไม่เอาแล้วแล้วก็ทอดทุรไล่เงี้ยนทอดทุรไล่มีความเพียนเนี่ยเพียนในการที่จะนอนเป็นต้น ลืมสติไม่รู้ตัวไม่มีจิตตั้งมั่นมีจิตเรรวนมีความรู้สามนะแล้วก็เป็นดังคนหนวกคนใบ้โอ้หนักพุทเจ้าพูดแล้วกันนี้คําว่าคนหนวกเนี่ยคนหนวกก็คือว่าไม่ฟังธรรมหลงพุทธเจ้าคนบ้าก็ไม่ยอ ม, ยมสาธยายเลยบ่ า, านี่นะแทนเขาสาธยายอิติปิโสภากรวา อ, าอ้าวว่าไปเขาว่าไปอ้ า, อาวาเป็นคนใบ้าไปเลยเนียต่อไปเวลาเขาสาธยายตรงเล่งเลยเนาะเล่งสาธยายตามรขา ท่านพระโธนอมย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลย่อมพวกนั้นบุคคลประเภทนี้พระเจ้าไม่อยู่ด้วยเขาเรียกไก่แสนไก่ไม่ใช่ไก่อย่างเดียวนะไก่แสนไก่ส่วนพวกคุณระบุที่ศรัทธาออกบวชไม่โอ้วดไม่มีมายาาไม่เจ้าเรียกไม่ฟุ้งซ่านไม่ยกตนไม่กลับกลอกไม่ปราฆ้าไม่พูดพร่ำไม่เพลิดเพลินไม่คุ้ครองคุ้ครองทวารในอินสีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโพชนะกระกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น นําพาในความเป็นสมณะมีความเคารพแรงกล้าในาศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาศิกขาไม่ประพฤติมั่มากไม่ปฏิบัติ ย, อย่อหย่อนทอดทุระในทางแชร์เชือนเป็นหัวหน้าในวิเวก ค, คือกายวิเวกจิตวิเวกเป็นต้นปาราบรความเพียรมีจิตน้อมไปในธรรมตั้งสติไว้มั่นมีสมประชัญย่มีจิตตั้งมั่นมีใจเน่วเน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนวกคนใบ้ ท่านพระโคดมก็อยู่ร่วมอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเปรียบเหมือนบรรดาไม้ที่มีรากหอมเขายกว่ากิศนาเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีกลิ่นหอมเขายกว่ากลินจันแดงเนี่ยเป็นเลิอบรรดาไม้ที่มีดอกหอมกับดอกมะลิเป็นเลิอดชั้นใดโอวาทของพระโคดมก็ฉันนั้นนั่นแหละว่างั้นนะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลือดในทางบรรดาธรรมของครูอย่างแพ้คือครูอย่างแพ้ก็พวกหิพุรณะกัตสปามคคัลโคสาละอชิตาภิยสักพนสัญชัยเวรข้าบุต ปักุท่ากจาย น, นะนี้คนหน้ากระบุตรนี้นะครูทั้งหกเนี่ยเป็นคําสอนที่เป็นตอของวัดตักสอนไปสอนมาแล้วก็ทําให้จมหมกจมมุ่นอยู่ในสังสารวัตไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัตเป็นต้นได้นี่ว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าแจ่มแจ้งท่านพระโคโดมประกาศธรรมโดยอะเอียดปริยายนะเหมือนกับหลายของที่ความเปิดของที่ปิด บอกทางแต่คนหลงทางตามปฏิปิธื้อมื่อโดยความหบังผู้มีตาดีจะเห็นรูปทั้งหลายฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงจํำข้าพระองค์ว่าเป็นุบาศกถึงรัตนานี่ไหมท่านกาโมฆราณาท่านถึงสารณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแปลว่าท่านได้สารณคมการถึงของท่านในสมัยกลางพุทธกาลนี้ท่านถึงจริงๆไม่ถึงเล่นๆแล้วถึงแม้จะถึงแบบโลกียาสารณคมนั้นก็ถึงแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนาะ ท่านถึงตั้งมั่นเพราะว่าเป็นประตูแรกแห่งการที่จะก้าวหากุศลศีลเป็นต้นเหล่านี้ถ้าสารณคมไม่ชัดนี่ยนะจะกล้ า, าลงสู่อริยสัว์ไม่ได้เลยนะเริ่มจากประตูแรกก็คือโยนิโสมนสิการที่ข้าสู่สารนคมใช่ไหมพุทธรัตนธรรม ร, รัตนสังข ร, รัตนเป็นต้นเนะี่ยพรารัตนชัดเจนแล้วกุศลศีลมีศีลห้าศีปดศีลสิบศีลสองร้อยี่็ศีลสามรอสิบเอเป็นต้นถึงจะเคลื่อนตัวนี้เป็นต้นเลยนะเพราะมีศรัทธานในพระรัตนไตรเนะี่ยตัวศรัทธานในพระรัตนไตรยนี่แหละ จะเป็นปัจจัยแก่ปาฏิโมกข์สังวรสีเพราะว่าสติก็เป็นปัจจัยแก่อินเดียสังวรสีนี่ไหมวิริยะก็เป็นปัจจัยแก่อารจิวะปริสุทธิสีน์ปัญญาก็เป็นปัจจัยแก่ปัจเจยสันนิสิตาสีนี่ก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราพิจารณาอย่างนี้บอกว่าประเด็นที่จะต้องมานั่งวิเคราะห์หรือพิจารณาก็คือว่าสังเกตดุไหมว่าคณกรมโมคะรานะบอกว่าเป็นคนชํานาญในการบอกทางแต่คนเดินหลงผิดทางมากกว่าเดินถูกทาง ทีนี้ในทางภาษาศาสนาอย่าแปลกใจใช่ไหมสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่แท้ๆและเป็นผู้บอกเองเแท้ๆคนยังไปนิพพานเป็นส่วนน้อยเลยฉะนั้นถ้าหากร่วงการผ่านวัยมาในขณะนี้ใช่ที่เรามาพิจารณาดูเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าที่บอกว่าตรัสพระธรรมเทศนาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างที่บอกว่าในพระพุทธเจ้ายกย่องภาษาริบุตร และปัญญาของพระเจ้ายิ่งกว่าพระสารีบุตรเนที่บอกว่ามีปัญญามากเพราะกําหนดถือเอาคุณคือสีนันมากเชื่อว่ามีปัญญามากกําหนดเอาคุณคือสมาธิคุณคือปัญญาคุณคือวิมุติคุณคือวิมุตติญาณทัศนามากเชื่อว่ามีปัญญามากเพราะกําหนดถือเอาฐานะฐานะมากสมาบัติเป็นเครื่องอยู่มากอริยสัตย์สีมากถามว่าอริยสัตย์สีเนี่ยคนมีปัญญามากอย่างระดับพระเจ้าเนี่ยกําหนดทุกอย่างลงอริยสัตย์ได้หมดถามว่าในชีวิตเราเนี่ยเราเห็น เรากำหนดอะไรลงเป็นอริยสัจได้บ้างพิจารณาเอาผมมาลงเป็นอริยสัจได้ไหมไม่ได้แทบยุ่งเลยนะนะเกษาเกสาสมุทยะเกษานิโรธาเกษานิโรธาคามินีปฏิเวัตานี่ก็หนักยากนะเกษาเป็นทุกข์ยังไงนะผมเนี่ยผมเป็นทุกข์กษัตริย์ยังไงนะมาพิจารณาโหยากเลยที่จะมาไขคนยังไงได้ไหมเกษผมเนี่ยผมมันประกอบไปด้วยอะไรก็พิจารณาอ๋อมีดินอยู่ในนั้นมีน้ําอยู่ในนั้นมีไฟอยู่ในนั้นมีลมอยู่ในนั้น ผมมีสีไหมมีสีอยู่ในนั้นมีกลิ่นไหมอ่ามีกลิ่นนะอมีรสมีโอชาไหมมีหรือเคยชิมดูเลยนีไม่มีแต่มีนะมีสีกลิ่นรสโอชาธาตุความเป็นหญิงเป็นชายมีอยู่ในผมไหมมีมีชีวิตไหมผมที่ปักลงไปในสีรษนเนี่ยมีชีวิตแต่ลูกตามหล่อเลี้ยงรักษาอยู่สรุปแล้วผมอย่างเดียวเนี่ยส่วนเกิดแต่กรรมตัวนี้ได้ศีลเนาะแล้วก็มีดินน้ําไปลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุแล้วแต่ยังมีกายะ菩萨 ที่ติดลงไปในหนังศีสาะมีการเยื่อศาสตร์อยู่นะสรุปแล้วอีกสนะิบเนาะสิบบวกสิบเป็นยี่สิบแล้วเห็นไหมเนี่ยเอาคนนะเครียดมากๆนี่ผมงอกได้ไหมอ่ะเช่นเมตตามากๆผ ม, นะมเนี่ยไม่ได้ว่าท้าวใส่เครียดมากผมงอกเนี่ยไม่น่าพูดเข้าตัวเลยอาตมาไม่ลืมข้อ น, นี้นกันอาตมาก็าอกเขาถามอาตมาไนี่อาตมาผมหงอกเลยอาตมาก็จะพูดไปว่าอ๋อไม่ค่อยได้เครียดอะไรเราพอดีโรกไปแค่เจ็บเยอะดีทั้งหมด คนที่ไม่ค่อยป่วยแล้วผมออกนี่ฮะทางออกยาวเหมือนกันนึงแต่จร no. ิงๆก็คือหลายๆส่วนนะเกิดจากรรมก็ได้เกิดจากรรมก็ได้เกิดจิตเลยนี่นะเกิดจจิตนะสรุปก็คือว่าดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสวิชาธรรมก็แปดนะเกิดจจิตอีกแปดอาหารที่กินเข้าไปเมื่อสักครู่ที่รับประทานอาหารฉันอาหารเข้าไปอาหารก็ไปหล่อเลี้ยงผมด้วยนะอาหารบางอย่างก็ทําให้ผมเจริญงอกงามอาหารบางอย่างก็ทําให้ผมเสียเมกันนนนะ อย่างเนี้ยก็ใครควรในรักเกินฉะนั้นสรุปในลักษณะนี้เป็นต้นเลยนะสรุปแล้วก็คือว่าผมเนี่ยเป็นทุกข์สัตว์ปัจจัยตัณหาคือความยินดีเพลิดเพลินในผมเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยนะว่าเรายินดีพอใจในผมสมมติว่าถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าสงสัยอีกไม่ถึงสามเดือนผมคุณหมดหัวเนี่ยพอรู้สึกว่ารากผมก็ดีตัวเส้นผมก็ดี รู้สึกมันจ ะ, จะเริ่มจะเน่าแล้วก็มันบอกว่ารู้สึกมันจะมีเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่จะทําให้ผมคุณนี้ร่วงหมดหัวแล้วทำมาเราจะเสียดายผมไหมแสดงว่าในกรรมที่เราทําในอดีตเราปราถนาเป็นมนุษย์เราปราถนาผมด้วยใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ไม่มีผมเอาไหมไม่เอาเลยใช่ไหมที่ถ้าผมมันขึ้นขึ้นในที่มันไม่เป็นที่เราก็ไม่เอาอีกใช่ไหมอย่างพวกพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีผมขึ้นเต็มไปหมดเลเ้วึ้นเต็มตัวเลยใช่ไหมหรือถ้าไม่มีเลยเหมือนไส้เดือนเอาไหมก็ไม่เอาอีกเห็นั้มเนี่ย เห็นว like, ่าอกรรมเนี j Olympic, j ah thinking, thought, oh, like. ่ยมันวิจิตพิสดาลมากไปพิจารณาแล้วไงฉะนั้นผมเนี่ยเป็นจุกษัตริย์ตัณหาที่เป็นปัจจัยร่วมกันกับกรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปเกิดผมเป็นสมุทัยสัจจะถ้าสามารถละตัณหาเป็นสมุทเฉทปบาหันได้แล้วความไม่เป็นไปของผมเป็นต้นได้ไม่มีเน่ยเป็นนิโรธสัจจะปฏิบัติคาข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธเป็นมากไม่เคยประชมอริยศาสตร์ลงในเส้นผมได้เลยนะในชีวิตจริงๆไงนะไอ้ตคิดอย่างนี้บางคนโอ้โหคิดอะไรอย่างนี้แต่ผู้เจ้าคิดอะไร พระเจ้าท่านท่านรอบรอบรู้หมดเนี่ยท่านประชุมอริยสัจได้หมดเนี่ยภาษาลีบุตรเป็นต้นอลไรเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยในคําสอนตรงเนี้ยที่บอกว่าดูประกอบหน่อยหรือว่าว่าจะ่ยไม่กล่าวตรงนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยกย่องท่านภาษาลีบุตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายสาษาลีบุตรสงัดจากการสงัดเจา้จาสุรธรรมรามกและบรรลุปฐมวิชัน มีวิตรวิจารปิติสุขันเกิดแต่วิเวกในปฐมฌานนั้นก็คือมีวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอก ข, าขาตามีภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นจนถึงวิริยะสติเวขาเมตการอันสารีบทกําหนดได้แล้วตามลําดับบทตามลําดับที่ภาษาลิบุตรทําให้แจ้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปคือภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเก่งจริงๆนะถ้าท่านได้ปฐมฌานปุ๊บนี่นะทำที่ประกอบเนี่ปฐมฌานเนี่ยนะ มีวิตกวิจารณปีติทั้งหมดวิริยะปีติผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิติสีสติเป็นต้นนะสัทธาวิริยะเป็นต้นที่อยู่ในปฐมวิชารเนี่ยนะท่านภาษาลิบุตรเอามาให้ ค, ควรปัจจาลักษณะคือลักษณะเฉพาะตัวได้ด้วยเช่นผัสสะมีลักษณะในการกระทบอารมณ์เวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจาอารมณ์เนี่ยปัจจาลักษณะในแต่ละดวงแต่ละดวงท่านภาษาริบุตรให้ควรใ้หมดและไม่ใช่แค่ปัจจาลักษณะอย่างเดียวนะสามั ญ, ญลักษณะ รู้ว่าเหมือนกันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาท่านภาษาลิบุตรก็ก็กําหนดได้ไม่ใช่กําหนดได้นามาทําอย่างเดียวเท่านั้นหรือปฐมฌานแล้วทําที่เกิดร่วมกับปฐมฌานเท่านั้นนะยังกําหนดหัตติยวัตถุที่เป็นที่อาศัยของปฐมฌานเป็นต้นนนั้นด้วยแล้วยังกําหนดธาตุปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาที่หัตติยวัตถุนั้นอาศัยด้วยแล้วยังกําหนดกรรชากายทั้งสิ้นหมดได้ ว, ว่าว่โอ้กาหนดด้วยความเป็นรูปนามไล้ สามารถรู้ปัลักษณะเฉพาะตัวได้ด้วยแล้วก็รู้สามัญยลักษณะได้ด้วยนี่คือภาษาลิบุตรแล้วก็แทงตลอดได้ด้วยในประมลุมชา์นั้นนะสามารถเป็นปัจจัยแก้แทงตลอดได้นี่คือภาษาลิบุตรแม้ในทุติยชาญก็เห็นอย่างเงี้ยท่านก็กําหนดเป็นไปตามลําดับได้หมดเลยทั้งรูปและนามในตติยชาญในจตุทาชาญในอากาสาณัญญ า, นาตนะบ่ได้เห็น ไ, ไหมคือชานอรมประชานที่หนึ่ง อรูปิชฌาที่สองก็ได้ในวิญญาณัญชา ย, ยัตนาก็ได้ในอากินจัญญายัตนะก็ได้สูงสุดก็คือในเนวะแต่เนวะนี่เนวะบอกว่าพิกษุนตั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกสารีบุตรนล่วงเลยอากินจัญญายัตนาโดยประการดังกล่าวเข้าเนวะสัญญาณาสัญญายัตนาอารมูปชฌาที่สี่เนี่ยนะเธอเป็นผู้มีสติออกจากสมาบัติแล้วก็พิจารณาธรรมที่เป็นอดีตับไปแล้ว เปลี่ยนแปลงไปแล้วว่าในตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยที่มีมาแล้วเราเสื่อมไปแล้วเธอไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ถูกตัณหาทิฏฐิอาศัยคือพิจารณาฌานที่ละเอียดมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนี่ยตัณหามานะทิฏฐิไม่อิงอาศัยใจท่านเลยอ่ะไม่ยิงอาศัยใจท่านเลยนะปราศจากเขตแดนอยู่แล้วเธอรู้ชัดรู้พิเศษรู้เหตุสลัดออกจากภพยิ่งขึ้นไปอีก แล้วก็ยังเป็นผู้มีความเห็นต่อไปจากเครื่องสลัดออกยังมีอยู่อีกท่นานบอกไม่ใช่หนทางอีกทาง้นึ่งท่านภาษาญุบุไปไข้ควรเองรู้นะตอนนี้ท่านเป็นพระโสะดาบันจากการฟังจากพระสัชชีใช่ไหมฟังพระสัชชีบอกว่ารทำเราได้มี เ, เป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าข่าวถึงเหตุและความดับเหตุของทำเหล่านั้นพระพุทธเจ้าอพระมหาสมณะมีปกติตราบอย่างเนี้เด็ดแทงตลอดเป็นพระโสะดาบันพร้อมด้วยหนึ่งพันในด้วยเนี่ยแทงตลอดอยู่เลย ต่อมาไดเป็นพระโสดาบันท่านไปไข้ควรไหมไปไข้ควรทาสกัดคาคามีมรรคอน า, าคารมรรให้เกิดขึ้นเองนะมีถามมาแล้วเนาะแต่อรหัตมรท่านไม่ไข้ควรเพราะอะไรเพราะอะไ ร, รท่านเป็นพุทธเวไนยจะบรรลุสาวกบารมีด้วยพุทธเวไนยเนะี่ยท่างก็ น, นูนไปต่อตรงถ้าสุกราคาคาฟังเวทนาปริคหาสูตรโปรด โปรดการทีาาาคณะขะอักิเวสนะโคตรใช่ไหมสอนเรื่องทิฏีิก็บเรื่องเวทนาท่านกําหนดตอนนั้นท่านได้บรรลุทีนี้พอมาถึงในลักษณะนี้ไหมพอถึงเนวะสัญญาณะสัญญายาตนะเหนื่อยด้วยความที่ละเอียดมากปัญญาของภาษาลิบุตรท่านรู้ความดับแต่ไม่ได้ไปไข้ควรทุกตัวได้นะแล้วก็ต่อมาที่คือตั้งหลายประการอยู่ยังมีอยู่อีกภาษาลิบุตรเนี่ย่วมเนวะสัญญาณะสัญญาญาตนาโดยประการทั้งปวงแล้วนะ เข้าเวทยาสัญญาเวทยจตนิโรธเข้านิโรธาสมาวัรอาสวะทั้งหลายของเธอเป็นอันสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยก่อนปัญญาเป็นต้นนี้เป็นไปตามลำดับภิกษุเป็นผู้กล่าวชอบต้องกล่าวชมภิกษุรูปใจว่าเป็นผู้มีความชนานาญถึงบา ร, รมีคุณฑามที่ความสําเร็จในอริยศีลในอริยสมาธิในอริยปัญญาในอริ ย, ย, รยวิมุติภิกษุรูปนั้นคือภาษาบิบุตรนั่นเองตรงนี้นะผู้นเจ้าคนภิกษุทั้งหลายผู้กล่าวชอบเพิงกล่าวชมภิกษุบอกว่าเป็นพุทธชิโนโอรส พระภาษาริบุตรเนี่เป็นพุทธชินโนรสเกิดจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเกิดแต่ธรรมผู้มีธรรมเนรมิตเป็นธรรมทายาธไม่ใช่อามิสสะธายาธภิกษุรูปนั้นก็คือภาษาริบุตรผู้ที่กล่าวโดยชอบพึงกล่าวชมพุทธชินโนรสผู้เกิดจากพระโอษของพุทธเจ้าเกิดแต่ธรรมเป็นผู้มีธรรมเนรมิตเป็นธรรมธายาธไม่ใช่อามิสสายาเป็นต้นอยนี้ยคือภาษาริบุตรในประกาศธรรมจักรปปวัตนสูตรเนี่ยได้เสมอเหมือนกับพุทธเจ้า นี่ท่านบอกขยายบอกว่าภาษาลิบบที่มีปัญญามากแล้วไม่ใช่มีปัญญามากอย่างเดียวเนี่ยมีปัญญากว้างขวางในขันต่างๆด้วยมีปัญญากว้างขวางในอเยตนาต่างๆกว้างขวางในท่าต่างๆกว้างขวางในปฏิจจสมบาทถามว่าเ อ, อเราสามารถเชื่อมโยงอะไรลงปฏิจจสมบาทิได้ไหมลําบากเลยใช่ไหมถ้าจะเชื่อมลงปฏิจจานี่เชื่อมลงยากนะอยกตัวอย่างเช่นว่าเอา เขบอกก่ากำหนดรูปปัถานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาลงปฏิจจามันไรู้จะลงยังไงเลยยังไม่นั่งมึนเลยเนี่ยใช่ไมใช่เนี่ยแต่ภาษาริบุตรเนี่ยจับประเด็นใดประเด็นหนึ่งลงลงทุกขสัจก็ลงอริยสัจก็ได้ยังไมลงวินัยก็ได้อ่าลงลงอริยสัจสีก็ได้ลงปฏิจจสมุปาทก็ได้เป็นต้นก็เหมือนอย่างที่ว่าก็เหมือนอย่างยกตัวอย่างที่ว่าภาพไปพิจารณาหรือกลุ่มของเราด้านทั้งหลายที่ไปพิจารณาในเรื่องของกุศลสี พอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของกุศลศีลเนี่ยพอพิจารณาไปปุ๊บนี่นะตัวกุศลศีลเนี่ยเมื่อพิจารณาพิจารณากุศลศีลเนี่ยเมื่อเกิดปราโมดปีติปัสธีเป็นต้นเหล่านี้เมื่อตัวกุศลศีลเกิดขึ้นไหมพอกุศลศีลนั้นเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าลำดับเหตุการเกิดขึ้นก็จะเริ่มเป็นไปนะพอเอาวิปัิสนาเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่ปราโมดปราโมดเป็นปัจจัยแก่ปีติปัสธีความสุขสมาธิเนี่ยยถาปุถยานทัศน์เป็นต้นเหล่านี้ อันนี้ก็คือหลักนะหลักในลักษณะที่ว่าความเป็นไปของความสัมพันธ์กันของเหตุและผลเป็นต้นนี้ น, นะนี่ก็เข้าในแนวของของปฏิจจสมปัตยนี่นี่เป็นไปรักษาอนันนี้ทีนี้พอพูดถึงในสูตรนะเข้าในเชื่อมคําว่าโยนิสมงสิการเดี๋ยจะบอกเอเอกาสารนี่มาแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วว่าบมาบางังอเปล่านี่นะในในอันดับแรกๆเนี่นะสั้นจะกล่าวเกี่ยวในเรื่องของคําว่าโยนิสมงสิการ เกี่ยวกับบอกว่าอันหนึ่งสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดรู้ยิ่งด้วยประการนั้นด้วยสติสัมโพชฌงที่เกิดแล้วจะเจริญบริบูรณ์โดยประการใดก็รู้ชัดนั้นด้วยแปลว่าอะไรตรงนี้ก็แปลว่าโยนิโสมนัสิกาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรโยนิโสมนัสิการนั้นเป็นปัจจัยแก่สติสัมโพชฌงธรรมวิจยาสัมโพชฌงวิยาสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงเป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูปัาจพิกษุทั้งหลายอิกปการหนึ่งยังมีอยู่อีกเนาะบอกว่าพิกษุในพระธรรมวินัยนี้พ่พิจารณาในธรรมคือโพชฌงเจตประการพิจารณาในธรรมคือโพชฌงเจตอย่างไรนะพระโยกาวจรเนี่ยบอกว่าพิจารณาโดยแยกคายก็คือมีมีโยนิโสมนติการะเนี่ยโยนิโสมนติการะเนี่ยที่เป็นปัจจัยแกิสติสัมโพชฌงเนี่ยบอกว่า สติสัมพชงมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสัโพชงมีอ <ly> ยู่หนภายในจิตเมื่อสติสำโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสำโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตสติสำโพชงที่ย an Mother, no ังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสติสำโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยตรงนี้บอกว่าสันตังมีอยู่คือมีพร้อมโดยการได้มานะ สติสัมโพชังทังก็คือว่าองค์แห่งโพชงคทุกองค์การตัดสรุปมีสติเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีอยู่ก็คือเพราะไม่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นทีท่านกระกาศไว้บอกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายทำที่ตั้งเป็นที่ตั้ง ส, สติสัมโพชง ม, มีอยู่นะการทําให้มากซึ่งอะไรการทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการะการทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการะเนี่ยอันนี้เป็นอาหาร นี่เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะการทําให้มากในที่นั้นก็คืออุปาญาติมรสิการอย่างหนึ่งปัฏฐานมรสิการอย่างหนึ่งกัลณมรสิกา ร, การแล้วก็อุปาทกามมรสิการนั่นอย่างหนึ่งถ้าอุปาญาติมรสิการเราคิดโดยอุบายคิดโดยมีวิธีคิดถูกทางนะ่ะหรือในกรณีที่ว่าอุปาทกามมรสิการเราคิดให้เกิดผล ก็หมายความว่าคิดปลุกเราอะไรให้เกิดขึ้นตัวนี้ยคิดปุกเราสติสำโพชงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมบอกว่าโยนิโสมณัติการในสติสัมโพชงนั้นเป็นอาหารเป็นปัจจัยขอความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเนีหรือเพราะความไพบูลณ์ของสติสำโพชงที่เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นนี่ท่านก็บอกว่าทำที่เป็นเหตุของสติสำโพชงเนี่ยประการแรกก็คือว่าหนึ่งสติสำโพชงที่เป็นไปในฐานะเจตก็คือว่าการ ก้าวไปการถอยกลับการแลกการเหลวการคู่เข้าและการเหยียดออกเป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นหลักหลักตรงเนี้ท่านกล่าวว่าเป็นเป็นปัจจัยของการที่ว่าจะทําให้สติสัมโพชชงที่ยังไม่เกิดหรือว่าให้เกิดขึ้นหรือที่เมื่อที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้สตินั้นมีความแข็งแรงมากขึเพื่อจะมาพิจารณาอย่างนี้นะว่าลักษณะของการจะการที่ว่าสติจะเกิดหรือไม่เกิดเพราะสติอยู่ในชาวนาที่เป็นบุตรเนาะ ทีนี้ชาวนาที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ต้องมีมโนทวารเราชนะที่เป็นโยนิสมฆนัสิการแต่มโนทวารเราชนะที่เป็นโยนิสมฆนักสิการนั้นจะต้องมีการพิจารณาโดยอุบายให้แยาบขายบางคนก็อาจจะเรียกว่าฉนาดคิดไปแล้เลยแต่ว่ามโนทวารเราชนะนี้จะต้องได้รับอุปการะนะได้รับอุปการะจากอะไรจากเหตุปัจจัยในอดีต ข, ข้างดีเหตุปัจจัยในอดีตนั้นต้องเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของชาวนาคนก่อนด้วย เชลหน้า ก, ก่อนอก่อนหรือกุศลธรรมก่อนกที่เคยเกิดขึ้นที่เคยใขว้ควรมีการฟังภาษาธรรมเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะที่เขาบอกว่าเหตุปัจจัยก่อนก่อนก็คือมีอะไรบางมีผูกเพคกับคุญตาก็ะดามีการอยู่ในถิ่นที่สมควรมีการพอบครองพระเจ้าสาวว่าครอบครองพระเจ้ามีการฟังธรรมก่อนก่อนเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนั้นก็คือเหตุปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยเกิดโยนิสงมันสิกาล่ะ ฉะ น, นตัวโยนิสโมนสมณัสการ์ละที่เป็นมโนวทวารชนะกด็ดีเป็นวุฒิภพนาเป็นต้นก็ดีเนี่ยนะที่จะเป็นโยนิสโสมนัิการเนี่ยตรงนี้จะได้รับอุปการละก็จะต้องเกิดขึ้นทีนี้ตอนนี้กำลังที่เรามือกำนั่งคุยกันที่ถามว่าอย่างที่บอกว่าถ้าหากว่าอัธยาศัยเก่าก่อนไม่ได้สั่งสมโยนิสโสมนัิการมาเป็นอย่างดีเนี่ยเชื่อมไหมเพอาการฟังธรรมฟังเรื่องหนึ่งมันก็จะแปลไปอีกเรื่อง ทีมันที่พุทเจ้าบอกว่าเ อ, อทางมีอยู่ใช่หไหมไอ บ, บอกไอ้กรุงราชคลึคก็มีทางไปกรุงราชคลึก็มีคนบอกทางก็นี้นิพพานก็มีมรรคแปดก็มีคนบอกทางมรรคแปดที่ไปนิพพานก็มีทีนี้การเชื่อมมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเชื่อมในหลายทางใช่หไหมมันเชื่อมในหลายทางเนี่ยเช่นบางคนเชื่อมมาจากทางรูปารมณ์เนี่ยแล้วประชมสิกขาสามแล้วก็เข้าสู่ประตูพระนิพพานก็ได้เนี้ย บางคนเชื่อมาทางสรัทธาลมคันธารลมละสาลมปวดถลาลมและธรรมาลมเนี้ยบางคนก็เชื่อมมาจากทารูปขันเวทนาขันสัญญาขันข ным, ข usal, และสังขารละขันบางคนก็เชื่อมมาจากกายานุ ป, ปัสสนาสิบสี่บับอันนี้กเเ็เป็นเป็นทางหมดเลย 14, นเนี่ยสิบสี่บับพระเนี่นะบางคนก็มาจากเวทนาเก้าเวทนามีสุขเวทนาเมียมิตรหรืออื่นนี่เมียมิตรหรือไม่เ ม, มียมิตรต้นๆเนี่ยหรือก็จิตตานุปัสสนา สิบกเี่ยที่นับไปนหนึ่งะ่ะแล้วก็ทํามาลพัสนาอีกห้าหมวดมีนิวรณ์มีกานห้ามีโพดชงเป็นต้นมีอายตนะมีธาตุแล้วก็มีรรสัจจะสุดท้ายเนี่ยสรุป ก, ก็คือว่าไอ้อริยศัส์เนี่ยนะเออเขอา้าไปเกี่ยวกับในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานจากบริบูรณ์หรือไม่ก็ต้องมีสุจริสามต้องบริบูรณ์เป็นต้นสุจริสามจะบริบูรณ์หรือไม่ก็ต้องอินทรีย์สังวรต้องบริบูรณ์ อินทรียจะสังวรจากบริบูรณหรือไม่ก็ต้องมาจากโยนิโสมาจากพวกกุศลศีลเป็ต้นอะไรเนี้ยให้สเกตด้วว่าสติที่เราพูดกันสติสัมปชัญญะในสติที่เป็นไปในอในการอินทรีย์สังวรเป็นต้นเนี้ยสติตรงนี้จะเกิดได้หรือไม่ได้ก็ต้องมีโยนิโสเป็นปัจจัยสติสัมปชัญญะในฐานะเจ็ดที่พูดในที่นี้ก็ต้องอาศัยโยนิโสเป็นปัจจัยใช่ไหมหรือ ให้สังเกตดูบอกว่าการที่จะเชื่อมสิกขาสามเพื่อเป็นทางเชื่อมก็จะบรรลุพระนิพพานเนี่ยปัญหาว่าทางมีอยู่จริงไม่จริงคนบอกทางมีไม่มีแต่ลำดับแห่งการบอกเนี่ยเป็นอย่างที่พระจิตรยาบอกไหมเป็นอย่างอัตฉริยะดีกาบอกไวหรือไม่ถึง้ต้องต้อ ง, อ ง, องเก็บใหดีถ้าไม่เป็นนะถ้ามีการโดดรัดขั้นตอนนะลาบากมันดูอเหมือนดีต้องระวังไว้ เขามัเหมือนดีแต่มาเนี่ยตกระกมลําบากไปเยอะเหมือนดีเนี่ยไอนี้ไม่เอาแล้วเข็ดแล้วไอ้เขาเข็ดไม่เข็ดการปฏิบัตินะเข็ดแล้วถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเข็ดแล้วเข็ดออกไม่ได้ทีนี้นนพระพุทธเจ้าที่แสดงนั้นเน่ะสมบูรณ์อยู่แล้วกลับมาไข่ควนใหม่เหรอในพระธรรมของพระพุทธเจ้านี เมื่อใครควรศึกษาเป็นไปตามลำดับประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามดับแล้วเอามาให้ครควรให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงหาเวลาปีกเล่นในบางจังหวะเนี่ยถ้าเป็นญาติโยมด้วยนะเราจะมายกตัวอย่างนะสมมติน ะ, ะสมมติวนะ่าออยากจะเจริญสมาธิอยากจะเจริญสมาธิบอกเพียรติวายังถมพระถมพระชาไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกี่ยวข้องในในใ น, ในวัตถุกรรมหนึ่งลําบากนะ ถ้าผ้ายังลำบากเอานี้นะถ้าผ้ายังเกี่ยวข้องกับยาติโยมเกี่ยวข้องอะไรอยู่เยอะๆนะเดี๋ยวก็เกี่ยวข้องตรงนแต่จะไปทําปฐมปร ะ, ะชาเนยะอันนี้ใหม่ใ่ไม่เอื้อแล้วไม่เลย อ, อย่างยกตัวอย่างนะแค่ไปเ จ, จปริญสุภาพธรรม า, านเนะี่ยแค่จะไปทํานิมิตให้เกิดขึ้นนะเพอได้นิมิตเบสเสร็จแล้วยังต้องหลีกเล่นนะเน่ยหมือนเราจะไปเพ่อะไรให้ได้นิมิตนะถ้าไม่หลีกเล่นอนะ่ะแป๊บเดียวหลุดหายเลยแป๊บเดียวก็หลุดหาย ก็หายง่ายมากอย่างนี้เป็นต้นนั้นลำดับเนี่ยสําคัญมากเพราะว่าพื้นฐานไม่แน่นมันจะร่วงง่ายเดี๋ยวก็ร่วงกลับเดี๋ยวก็ร่วงกลับนะฉะนั้นสติอสังเกตใช่ไหมจะมาจากโยนิโสมนัสิการไม่ว่าจะเป็นสติในกายานุปัสนาสติในเวทนานุปัสนาสติในธรรมานุปในในจิตานุปัสนาสติในธรรมานุปัสนาก็ก็ต้องมีโยนิโสมนัสิการและเป็นอาหารแล้วในเนี้ยในสูตรนี้ยกล่าวเยอะแยะหมด ธรรมวิญยาณสำโพชง์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีโยนิโสมนัิการและเป็นอาหารเป็นปัจจัยวิญญาะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัตสัตทีสำโพชงสมาธิแล้วก็อุเบกขาสัมโพชงอยูนั้นสติสัพพัญญะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสติในในอินทรีย์สังวรก็ดีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในปฏิโมกสังวรศีลก็ดี ไม่ว่าจะเป็นวิริยะในอาชีวประิสุทธิ์ที่ศีลก็ดีไม่ว่าจะเป็นปัญญาที่เป็นปัจจเวกขณะหือปัจเจยะ ส, สันนิษาศีลก็ดีเนี่ยจะต้องมีโยนิโสมณิสิการเป็นปัจจัยหมเลยนี่นะทีนี้โยนิโสมณสิการนั้นจะต้องไปเชื่อมกับปรัตโตโคสะปรัตโตโคสาก็คือว่าพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าปัจจุบันก็คือพระไตรปิฎกอธิคถาละเีการนี่ต้องไปเชื่อมตรงนั้น จะต้องมีกัลยาณมิตรภายนอกที่เป็นพระไตรปิฎกอัตถกถาและดีกาถึงจะชัดถ้าให้อัตมาเนี่ยสมมุตินี่อัตมาลุกไปนี่นะบางครั้งอัตมาก็เป็นปาปมิตรให้กัโยมบางครั้งอัตมาก็เป็นกัลยาณมิตรให้กัโยมถ้าบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจของอาตมาเวลาใดอัตมาก็เป็นปรโตโขสะที่เป็นปาปมิตรให้กับโยมแต่ถ้ากรถ้าหาอกุศลธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในกระแสขังของอัตมาเวลาใดอัตมาก็เป็น กัญญาณมิตรภายนอกเป็นประตโตโกษาที่ดีให้กัโยมเลย น, นี่คือบุญชนนถ้าถ้าตรงนี้เสียจะได้จะได้โล่งใจยังนะจะได้โล่งใจว่าเออเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ปัญหาว่าใครทํากระแสของกุศลขันเ อ, อกระแสของน้ำขันที่เป็นกุศลได้ยาวนานและต่อเนื่องและบ่อยที่สุดท่านผู้นั้นก็เป็นกัญยาณมิตรได้ดีที่สุดทีนี้ เราจะรู้ว่าท่านผู้นั้นเนี่ยเป็นกัญญาณิมิตได้ดีที่สุดหรือไม่ก็อาศัยการเสพคุณถ้าพระต่อพระอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เกินเจ็วันก็รู้ว่าเออท่านผู้นั้นเนี่ยมันนักสิการกุศลจริงนะไอ้ที่เที่ยวมาสรยทยานปั๊บปั๊ปั๊เหมือนอรมาเนี่ยสมมุตินี้นะต้องเอาพระที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยดูเออเป็นยังไงท่านตรวจสอบให้หน่อยที่พระลมเนี้ยท่านอยู่ใกล้ๆนยแต่ไปตรวจสอบพวกเดียวไม่ได้ก็ยุ่มใช่ไหมสมมุตินี่ก็ก็ก็ก็สอบถามถ้ายังยมเป็น ถ้าเราว่าเป็นแรงต่างา ก, ก็ก็รู้ยากรู้ยากอย่างนี้นะแต่ไม่ใช่พูดเพื่อให้ระแวงระวังแต่ว่าให้รู้ว่าให้รู้ว่าจริงๆในในกระแสะขันเนี่ยต้องมานสิ ก, กานค่อนข้างให้ต่อเ น, นื่องเพราะจิตของมนุษย์ในรัฐนิ้วมือเดียวในแสงโกลมมันเป็นบาปเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญอยู่ตลอดเวลา น, นี่คือข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าหากว่าขาดการสํารวมระวังนะหนึ่งถ้าอินทรีย์สังวรไม่ดีแค่นี้ก็ภาษาทางโลกก็เลยแจ้งแล้วขาดทุน อริยารัพย์หายเกลี yep. <sho> ้ยงไหนหมตาเห็นโูกก็โดนปล้นหูได้ยินเสียงก็โดนปล้นอริยทรัพย์ไปหมดเลยจมูกดมกลิ่นก็โดนปล้นลิ้นสัมผัสรสอาหารแตละครั้งแต่ละครั้งกลืนก็ไปในลำคอแตละครั้งก็โดนปล้นหมดกายสัมผัสไอ้เย็นร้อนต่างๆเนี่ยสัมผัสกายเนี่ยนะก็โดนปล้นใจชิดนิดเรื่องอะไรก็โดนปล้นเหมือนน่ยุ่งเนี่ยแต่วันๆก็อยู่แบบไม่มียอริยทรัพย์เลย ไม่ม um. ีอริยสัจคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหมือนยุ่งเลยสิกขาสามไม่เดินในกระแสขันนั่งนิ่งนิ่งนี่แยมนั่งนิ่งนิ่งนี่แหละตัวดีบางที่นะบางทีนิ่งนิ่งเนี่ยดูดูดูเหมือนกุศลเดินดีเกันเนี่ยถามว่าเราจะบอกยิ้มได้ไหมยิ้มก็ก็ดูยากใช่ไหมโลภะก็มีโสมนัสเอาสิโลภะโสมนัสมีทั้งสี่ดวงก็จะรู้ได้ไงว่ายิ้มด้วยโลภะมหากุศลก็มีโสมนัสสี่ดวงเนี่ย ใช่ไหมมันมีอย่างละสี่เอาสิระหว่างกุศลกับกุศลเนี่ยแล้วเวลาใดยิ้มด้วยโลภะเวลาใดยิ้มด้วยหมากรุศก็ดูยากหรือเฉยๆเลยนะเฉยอเฉยอุเบกขาอุเบกขาในโมหะก็มีอุเบกขาในโลภะก็มีอุเบกขาในหมากรุศก็มีบอกเออถ้าบอกว่าท่านคนนี้นั่งนิ่งๆดูดีนะเนี่ยห็นบอกว่าท่านไม่ไข้ควรท่าไม่เข้าใจในการเจริญกุศลจริงๆเนี่ยยุ่งอาจารย์ครนี่จะเป็นใบได้รักษะแนนนสติเขาถุกบอกให้เว้น ถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นคนหลงลืมสติเป็นอัตยาสัยเขาต้องบอกให้เว้นไงเพราะมันเป็นปัจจัยเป็นกระยาณมิตรภัยนอกเออเป็นเป็นปรตโตโคสะที่ไม่ดีเขาต้อบอกให้เว้นอะไรให้เว้นฟาประมิตรเนี่เพราะถ้าไปเจอคนที่ว่าวันวันไม่ได้คุยเรื่องสติปัฏฐานสมัมมาปัฏฐานอธิบาทอิน ท, ท, ทรีย์ภราบโบจงมากแปดเลยอะ่ะไม่ได้สาธยายพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยเออเจออ่ะทั้งวันตรงนี้ไปเรื่องอื่นตลอดเวลาลแล้วเราก็ไปขกอยู่ตรงนั้นเนี่ยโทษไหม ไปแต่โทษโดยส่วนเดียวเลยแล้วก็เสพคุ้นแบบนั้นนะออไปบอกโอ้โหเนี่ยมีพอถึงเจอหน้ากันก็ออกทุ่งเลยว่ามันแท้การที่จะออกไปตามพระธรรมคำสอนก็ไปนะวิปารลเรนะื่องนู้เหมือนกับฟังธรรมปุ๊บเนี่ยเหมือ น, นเหมือนใน่ที่ว่าพระเจ้าใ ช, า, ชาตัวฟังธรรมฟังธรรมคิดถึงลูกใช่ไหมฟังธรรมคิดถึงพ่อเสร็จเลยเนี่ยฟังแล้วมันออก ก็ฟังปั๊บเออเนี่ยไงบางคนฟังคิดถึงคนอื่นเลยฟังคิดถึงคนอื่นเลยไม่ประชุมลงในการที่จะขัดเกลาร์เลยเพราะการฟังทำเนาะเป้าหมายจริงคือการขัดเกลาสมัยก่อนมาฟังไงรู้ไหมก็ตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนใช่ไหมเออฟังฟังเออพอเข้าใจจะไปสอนก็ฟองฟังเจนไปสอนฟังอยู่แั้นสี่ห้าปีก็ฟังอยู่แค่นั้นขยันฟังจริงๆกันน้องจะไปสอนคนอื่นเสร็จเลยอย่างเนี้ยเอ๊ะทำไมเรามันไม่ได้ความสุขใจจากการเราพิปฏิบัติเลยเงี้ยที่บวชเข้ามาก็ไม่ค่อมีความสุข ใจก็ไม่เคยแช่มชื่อนั่นนี่แต่ทกอยู่เลยปัญหาที่เกิดขึ้นมาก็ใข่ควรลงสู่คําสอนไม่ได้ อ, อ๋ที่ไหนได้เพราะฟังไม่น้องขัดเราในสมัยคัง้งพุทการเนี่ยก็น้องไปขัดเราตัวเขาเองเมื่อเขาขัดเราตัวเขาเองได้แต่ผลผลพลอยได้คนอื่นนะผลพลอยได้คนอื่นเมื่อตนเองเข้าใจถ่องแท้สา ม, มารถขัดเราได้มีการสํารวมระวังมีการเจริญสติสมัมปชัญญะค่อนข้างชัดเจนขึ้นมานี่นะ มีความสุขจากการประพฤติปฏิบัติในทางพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้จากการเสพคุณนี่เขาจะบอกว่าต้องต้องต้องเวน้นมุทัสติปุคลาปริวัชน ต, ตาเป็นต้นอะไรเนี้ยบุคคลประเภทนี้ต้องเวน้นคนที่หลงลืมสติมากเนี่ยคบหาบุคคลผู้มีสติมัน่นคงก็คบหาใครเดีอ่าเขาภาษารีบุตรเป็นตนน้นไม่ดีใช่ไหมก็ก็ทุกวันนี้สามารถเข้าภาษารีบุตรได้ไห้ยัง ได้ไปทําไงดีก็ไปเอาปฏิสัมพิธามัพมาอ่านนะใช่ไหมคำพีขุดถากนิกายปฏิสัมพิทามัพมาอ่านพราอ่านไปเสร็จก็เออไม่เข้าใจก็อ่านอัจฉรถานะไม่เข้าใจก็สอบถามครูบาอาจารย์เอะไปดูในจูแลนีเ่เทศมานี่เทศไปดูผลงา น, นท่านเยอะๆที่เอไปดูถ้าต้องการอยากจะทราบปฏิปทานท่านดีก็ไปดูในสาลีขุดกาเทาราคาถาอ่านนะเออไปเอามันมาอ่านเราจะอู้ภาษาลีบุตรน่าศรัทธามาก ปฏิปทาของท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีสติอย่างนี้ถามว่าภาษารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากใช่ไหมระหว่างภาษาลีบุตรกับพระอนุนใครศรัทธาพระพุทธเจ้ามากกว่ากันนะยมบอกพราอนุนจริงว่าคนที่มีปัญญามากก็ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากอาจารย์ ขึ้นคนที่มีปัญญามากเนี่ยก็ต้องศรัทธามากเพราะเลยพระอริยะเนี่ยท่านจะเจริญศรัทธากับปัญญานั้นสมดุลกันท่านจะไม่ให้ศรัทธามากเกินศรัทธาจะไม่ให้เออจะไม่ให้ศรัทธามากกว่าปัญญาจะไม่ปัญญามากกว่าศรัทธานั้นปัญญาไปแค่ไหนถ้าปัญญาไปไปร้อยศรัทธาก็ไปถึงร้อยถ้าปัญญาไป 200, สองร้อยเนี่ยศรัทธาก็ไปสองร้อย นั้นตัวปัญญากับศรัท ธ, ธาท่านจะมีความสนสมดุลกันเพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่ช่ำชองทางทางสมถาวิปสนาภาษาริบบทในการเจริญสมถาวิปสนาควบคู่กันอีกชํานา้นา่แปลว่าอะไรกลุ่มกลุ่มสมถะหรือกลุ่มศิริินเป็นต้นนั้นนะกลุ่มศรัท ธ, ธากลุ่มวิรยิยะกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มกลุ่มสมถะแล้วปัญญาฉะนั้นภาษาลิบบทนั้นจะเจริญสมถาริปสนาเนี่ยสมดุลกันนั้นถ้าบอกว่าปัญญาของภาษาริบุตรเนี่ย หนึ่งอสงไขย์ศรัทธาก็หนึ่งอสงไขยให้เวลาท่านคิดคุณของพระริ้าท่านคิดได้มากกว่าคนอื่นปัญญาของภาษาวกในยุคนั้นทั้งหมดนั้นอะรวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่เท่าปัญญาของภาษาริบุตรและไม่เท่าศรัทธาของภาษาริบุตรนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าศรัทธากับปัญญาท่านมีความสมดุลกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่มีศรัทธามากยุ่งอะไพวกเราเนี่ย บริหารศรัทธากับปัญญาไม่สมดุลกันพอไม่สมดุลกันเป็นปัญหาถ้าศรัทธาขึ้นมากๆ ม, มันจะโกงนะมันจะฉลาดโกงๆนิดๆ น, นะเหมือนโรคที่เกิดจากยาแก้ไ ง, งก็ไม่หายใช่ไหมออกนอกทางอยู่เรนะื่อยเนาะถ้าศรัทธามากมันจะไปฝางง่ายงมงายเงี่ยนะฉะนั้นท่านทุกบอกว่าศรัทธากับปัญญานะั้นต้องบริหารเนีมีความสมดุลกันเป็นต้น แล้วก็น้อมจิตไปในสติสามโพชงน้อมอยังไงเขาเรียกว่าที่มุตตาตานี่คือน้อมน้อมในนั้นก็คือเป็นชื่อองคการที่ว่าใข้ครวรที่ว่าปกเล้าที่ท่านปลุกเล้าในลักษณะไห น, นเช่นว่าทำศ ร, รัทธาวิริยาสติสมา ธ, ธิปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นน้อมจิตไปในศรัทธาน้อมจิตไปในวิริยาเป็นต้นให้เกิดขึ้นบ่อยๆลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสติสติสามโพชงเนี่ ฉะนั้นสติสัมปชัญญะในฐานะเจตในการก้าวไปในการถอยกลับเป็นต้นงดเว้นจากบุคคลผู้หลงลืมสติแล้วก็การครบหาบุคคลผู้มีสติมั่นคงเป็นต้นเหละเนี้นะแล้วก็เป็นผู้ที่มากในการน้อมจิตไปในสติคือตั้งสติไว้ในยบทอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าคัดฉันโตวาคัดฉาบีติประชานาติเป็นต้นเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรายืนอยู่เมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่ เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าบัตรนี้เรานอนอยู่มันยนเมื่อเดินก็รู้ชัดบัตรที่เราเดินอยู่อันนี้ก็เรียกว่าเจริญสตินะการเจริญสติเนี่ยแล้วปสติสัมปชัญญะในฐานะเจตเป็นต้นหนึ่งฉะนั้นถ้าถามว่าสติสติเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้นั้นสตินั้นจะต้องมีโยนิโสมนัสิการเป็นประทัดฐานหรือเป็นเหตุได้ น, นไอ้ตัวโยนิโสมนสิการจะเป็นมโนทวารวชนะ นี่เป็นวัวเทพนาอะไรต่างตัวแล้แต่ตัวมโนทวารวลชนะเป็นต้นนั้นน่ะก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นค่อนข้างมากเลยนะที่จะสามารถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่สติแลว้วก็สมบัต <mo> ิช so <mo> ัญญาเป็นต้นได้ประการต่อมาคือว่าธรรมวิทยาสัมโพชฌงมีอยู่หนภายในจิตนะก็รู้ชัดว่าธรรมวิทยาสัมโพชฌงมีอยู่หนภายในจิตแล้วก็ธรรมวิทยาสัมโพชฌงไม่มีอยู่หนภายในจิตก็รู้ชัดว่าธรรมวิทยาสัมโพชฌงไม่มีอยู่หนภายในจิต ธรรมวิยาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วก็ธรรมวิยาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์บริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยบอกว่าในคำพิสังยุตท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกดูก่อนพิกูุน์ตั้งหลายธรรมที่เป็นกุศลอกุศลมีอยู่นะธรรมที่มีโทษแล้วไม่มีโทษก็มีธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพก็มีธรรมที่เลวธรรมที่ปราณีธรรมที่เป็นธรรมดำธรรมที่เป็นครรมขาวก็มีอยู่นะ การทําให้มากในโยนิสโสมนัสการในธรรมเหล่าเนี้ น, นี้เป็นอาหารนี้เป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นของธรรมะวิทยาสัมโพชฌง์ที่ยังไม่เกิดหรือเป็นทางไภบูนความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแห่งธรรมะวิทยาสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าทําที่เป็นกุศลทําที่ไม่มีโทษทําที่ควรเสพทําที่ปราณีตแล้วก็ทําที่ขาวเป็นต้นนี้เป็นกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มกุศลธรรมในกุศลธรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไร เริ่มตั้งแต่ศรัทธาใช่ไหมตถาคตตาโพธิศรัทธาศรัท ธ, ธาในการตัดสู้ดีของพระผู้มีพระภ่าคเจ้าเป็นต้นหรือในกลุ่มของปาฏิโมกขสังวรศีนในกลุ่มกุศลธรรมนะกลุ่มอินเรียสังวรศีลกลุ่มอาชีวาปริสุท ธ, ธิศีนกลุ่มปัจจะยานิสิกศีนเป็นต้นเนี่ยหรือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี้ยกลุ่มในลักษณะนี้คือกลุ่มของกุศลธรรม อันนี้แปลว่าเป็นธรรมที่ควรเสกเป็นธรรมที่ปราณีตเป็นธรรมที่ไม่มีโทษแล้วก็เป็นธรรมที่เป็นกุศลนี่การพิจารณาแยกแยะตรงนี้ได้คืออะไรคือสติสัมโพชงเออขออภัยคือธรรมะวิจัยสัมโพชงถ้าอย่าน้นจะวิจัยไม่ได้นะว่านี้เป็นบุญนี้เป็นบาปเอางี้นะว่าในชีวิตจริงๆที่เรานั่งๆกันอยู่ถามว่าเวลาฟังธรรมเคยกําหนดความรู้สึกไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลในการเกิดขึ้น เออสามารถกําหนดได้จริงไหมว่าอันนี้เป็นกุศลหรือไม่ในเมื่อกุศลเกิดขึ้นเนียรู้ชัดหรือไม่ว่านั่นคือกุศลเกิดขึ้นจริงในขณะที่ที่ปราลบะธรรมคาสอนของพระพวกอยู่แล้วบ้างจ้อ่ะถ้าพิจารณาพุบนี่ยแต่หากคุณไม่แยกแยกยังไม่ถูกเลยใช่ไหมแล้วบอกอี้เป็นกุศลดีเพราะเราฟังแล้วเราดีใจเราชอบเนี่ถามว่าจริงไหมเพราะความดีใจหรือความชอบอาจจะเป็นโลภก็ได้ใช่ไหมจ้าทีนี้ความดีใจหรือความชอบตรงนั้นน่ะท่านถึงบอกเฉียดอีกอย่างหนึ่งบอกว่า ให้สังเกตด้วยนะว่าเอกุศลเนี่ยกุศลจะเกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยประโตโสภศปัจจัยภายนอกเข้าช่วยนอกจากพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแค่นั้นยังไม่พอนะแม้แต่วัตถุภายนอกอะเช่นผมเอยแลบเอย อ, อะไรต่างๆ่างเลเนี่ยนะร่างกายสกปกเปื้อนวัตถุภายนอกกุฏิวิหารเลยนะ ตลอดทังที่อยู่อาศาัยเป็นต้นเหล่านี้ยทําไม่สะอาดที่นี้นวัถตถุต่างๆเหล่านี้กับไม่เกือ้อกูลต่อการที่จะทำธรรมวิจิตรสามพชน์ชงให้เกิดถ้ามีใครก็บอกโอ้โหเนี่ยบอกว่าแหมธรรมวิจยตสามพจน์ชงเราเกิดดีแล้วกัยแต่บอกไปดูบ้านเขาสกเขาปลกลงลังเนี่ยไปดูเนี่ยถ้าเราไปเราเป็นพระก็มีสักดวันในสมัยนี้เลยเลอะเทอะอยู่มีหนวดเผาคุ้งเลยเ น, นี่ย น, น, นี่นี่ไม่ใช่แล้ะ อันนี้ไม่ใช่ปัจจัยของธรรมาวิจัยแล้วไม่ใช่ธรรมาวิทยาสมบูรณ์ของเพราะว่าท่านยังบอกว่าควรทวําวัตถุภายนอกให้สลัสลรุยด้วยจิตมีการปรุงผมเป็นต้นเนี่นะแล้วก็ทําร่างกายให้เบาด้วยจิตร่างกายต้องเบาแล้วสุขภาพร่างกายต้องดีด้วยนะถ้าโรคแล้วง ม, มเลยเนี่ยนะสภาพร่างกายตก็เหมืหมักหมมไปด้วยสังเกต ด, ดู่ไหมตอนที่ท่านพระภาโนนตอนนั้นที่ว่าท่านทําจิตในการที่ปรุงประสบของพระผู้มีพระเจ้าใช่ไหม แล้วก็ท่านโน้ยตรงท่าเสียใจมากแล้วท่านไม่ได้ถ่าย้นส่วนมากเลยร่างกายของท่านถ้าพูดไปก็คือหมักหมมมากท่านกอโศกความโศกกุ้มรุมมากท่านเป็นพระโสดาบันนะใครมาทักท่านก็ค่าแต่ท่านบ้านมนุูยเจริญท่านเอาพระบรมศาสดาของพวกเราไปไว้ที่ไหนปกติถ้าเราเห็นพระบรมศาสดาก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ท่านแต่ตอนนี้เราเห็นแต่ท่านแต่ไม่เห็นพระบรมศาสดาแล้ว ผ่านนก็โศกและผ่านนนมีสติสัมปชัญญะค่อนข้างเยอะยังไภาษาลูกบุตรก็เคยสรรเสริญว่าผ่านนนมีกติมีถสติเป็นต้นั้นรนี่มีทั้งความเพียรมีทั้งความทรงจมแล้วมี ies, สติระลึกเลยได้เร็วแล้วก็อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากฉะนั้นเวลาไปเจอสถานที่พระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาบินนบาดเวลานี้เป็นเวลาบรรทมเวลานี้เป็นเวลาสงฆ์วรกายเวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมเป็นถึงขึ้ลึกได้ คนระลึกเด่นมาเหตุนี้การระลึกด่างที่ก็ไม่เกื้อกูลต่อ ส, สติแะยายยากกัะปัญญาเสยแล้วเพราะความที่สภาพปุติวิหารก็รกลุง้างร่างกายก็หมักมมในตอนนั้นน่ยกลับกลายเป็นปัจจัยให้กระโทมนัดเกิดเหมือนคนบางคนใช่ไหมอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีระลึกอะไรได้มากกับกลายเป็นปัจจัยกระทมานัดเกิดจ น, น, น, นความสุข ม, มันก็ไม่เกิดขึ้นท่านบอกว่าหนึ่งผู้ที่จะทํทาธรรมวิเยรสำโพธิชงได้เป็นอย่างนี้ก็มีการขัดสีอาบน้ำมันเทากลิ่นเหม็น ทำวัตถุภายนอกให้สลาสวยก็ให้เป็นสปายะแม้แต่าบาจีวรเป็นต้นเนี่คราอิางท่านยังต้องบอกเลยบาจีวรเป็นต้นก็จะต้องเป็นประโตโคสานะเป็นปัจจัยที่จะเกื้อหนุนต่อการได้โยนิสโสมนัิการพอโยนิสโสมนัสการเกิดเครื่องโยนิสโสมนัสการก็เป็นประจัแจ่สติใช่ไหมสติสัมโพชงทำมาวิจาสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัตสัธีสัมโพชงสมาธิสัมโพชงแล้วก็อุเบขาสัมโพชงเป็นต้นได้ นี่จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็เวลาเราอสมควรนะครตรงเนี้นะลักษณะปัจจัยภายนอกตรงนี้นี่แหละที่บอกว่าเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าเป็นปรโโาโโตคสปัจจัยเกรอหนุนต่อการก็เหมือนที่บอกบอกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดสมาทิถีิสมาสังกปะเป็นต้นอะไรนี้ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการนะที่จะเป็นปัจจัยใช่ไหมทีนี้ ประการต่อมาท่านจึงบอกว่าการการปรับเนเมื่อถามว่าธรรมวิทยาสัมโพชงจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ในการปรับอินทรีย์เนี่ยวิทยาเนี่ยไม่อาจจะเขาบอกว่าสัตว์ทินรีย่ของเธอมีกําลังกล้าอินทรีย์นอกนั้นก็ย่อ่อนทีนี้พออินทรีย์พอสัตว์ทินซีอ่อนนะวิทย์อินทรีย์ก็ไม่อาจจะทํากิจการประคองปกตินี่นะ ถ้าสมมติว่าอินทรีย์เลรวมหมดไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยสมมติว่าทับศรัทธาอ่อนถามว่าศรัทธาอ่อนไปกระทบอะไรรึมั้ยกระทบปฏิโมกข์สังวรศีเหมือนเบื้องต้นจริงๆอ่ะตัวกุศลศีลฐานเบื้องต้นเนี่ยมันมาต้องมีศรัทธาเป็นประทฐานถ้าศรัทธาแย่ลงมันจะอ่อนหมดแหละไอตัวกุศลศีลนะชั้นของพื้นฐานก็ไม่อยากจะรักษาแล้วคาเนี่ยถ้าศรัทธาอ่อนเมื่อไหร่อยากสึก น้องเกศด้วยทีไ อ, อ้อดัมานนี่จากตัวเองเนี่ยแต่เมื่อดีตด้วยนะแล้วก็จากเ อ, อแวดล้อมเนี่ยถ้าศรัทธาน้อยน้อยลงเนี่ยไม่อยากอยู่ในพระศาสนาเลยแต่ถ้าศรัทธาแข็งแรงขึ้นน้อมเข้าอาภูโสรศีนอุอปุโสรศีนก็แข็งแรงมันจะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้มันมันมันยอมน้องเกศด้วยีวันใดวันหนึ่งอยมอมสถาคตถาโพธิศรัทธาอ่อนเนี่ยยมไม่อยากรักษาไม่อยากรักษาเผลอขึ้นไปก็ไม่เห็นประโยชน์เลย แม้แต่สมาทานเหมือนคนบางคนบอกว่าสมาทานวิราชไม่จําเป็นอะไรก็รู้ไหมสัตทินซียสตินเซียงนี่อ น, น, ออนเพราะสตทินเซียงเนี่ก็เป็นประธานเป็นประธานฐานของผู้โสฬสินทั้งหมดเกิดเป็นผู้โสฬสินดูปาดิโมกส์สังวรสิทีทนี้ถ้าสติยอนเนี่ยไม่อยากจะปิดบาป ท, ทันตวันนะผมอินเรียสังวรนม่ อ, อนมันจะอ่อนตามกันนี้มันจะไอตัวปัจจัย น, นี่หอนเนี้ตัวปัจจัยยุบันก่อน มัมนจะเนแค่ยร์อ่อนผลก่อนโดยง่ายๆนี่นะถ้าหากวิทยาอ่อนนี้นะอาชีพสักไม่ค่อยบริสุทธิ์แล้วอาชีพสักไม่บริสุทธิ์แล้วกายกรรมวิจีกรรมเริ่มไม่บริสุทธิ์แล้วนี่นะวิริยาวิริยาหมายความเพียนในทางที่ถูกต้องถ้าหากปัญญาปัญญาอ่อนไม่ใช่คนมีปัญญาไอ้พ <c> ว <oughs> ไม่ค่อยข่าวบทคำนี้เลยวันก่อนวันก่อนก็เอาอาหารไปให้คนที่เขาจะปัญญาน้อยดีกว่านะ ว่าก็ปัญญาห อ, อมปังยังไงก็ไม่รู้ก็ไปเห็นกันนึกเออคนที่ปัญญาแล้วก็นึกถึงกรรมแปลกมากเวลาเอาอาหารไปให้คนที่พี่คนพิการเนี่ยมันสังโลสังเวชตลดใจนะแบบสลดใจแบบเ อ, อ ค, เคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าค่อนข้างมากเลยนึกถึงคำว่ากรรมมศกตาสมาทิฏฐินะแล้วก็นนึกถึงกรรม นึกถึงกรรมนึกถึงที่พระบรมศา ส, สดาทรงตรัสไว้บอกว่าเนี่ยกรรมเกี่ยวในกรณีที่ปสัสสาวขันตนเองด้วยกันที่ไปปัปสาสาัะสดือสัญชาเป็นต้นพอไปเห็นเนี่ยเขาเขาคุมตัวเองไม่ได้หนึ่งแยกแยะไม่ได้ไม่กระทั่งว่าอันนี้เผ็ดอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวมันขนาดเอพริกใส่เข้าไปถ้าเขามีพริกอยู่ในกายเขาจะเอาพริกกระเลงใส่ไปเลยเนี่ยแล้วก็จะกินหูตาแดงหมดเขาก็กินอยู่นั่นแหละเขาหยุดไม่เป็นเนี่ย นี่นิพการได้อีกประการหนึ่งเขาแค่จะมีมีสติสมัมปชัญญะในการที่จะหรือจะมีสามัญสมมึกในการที่จะนุ่งเสื้อผ้าก็นุ่งไม่เป็น <S <S อเอาเวลาเขาจะบางทียืนถ่ายอุจจาออกมาเขาไม่รู้ไหมกับอุจจาระนี่เนี่ยเาสามารถจะกอบอุจจาระมามาป้ายหน้าตัวเองเลยนึกนึกเขาโตแล้วเนี่ยนะแล้วก็นึกโอ้โหขนาดนี้เลยเนี่ยสัมสารวัดขนาดนี้เนี่ยเขาพิจารณาดูเนี่ยถึง โ, โหแล้วมันนึกถึงอีกทีเพราะอะไรไหม เอ็นี้เราเคยเป็นมาหรือยังยังไม่ก็ไข้ควรเออแล้วเราค้นหรือยังเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาด้วยโลภะโทสาโมหามานาทิถียุ่งหมดแล้วอะไรนี่ยังไหมบาปอคติธรรมเวลาเมื่อกี่เรายัางละไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่แหละมันจะเป็นปัจจัยการเชื่อมโยงนำปฏิสังขที่ของเราในพี่ย้บต่อไปแล้วกรรมประเภทนี้ทําไว้มากมายเหลือเกินนะกรรมที่จะทำให้เป็นคนบ้าใบ้ บ, บอดงดเป็นต้นนี้แล้วก็นั่งคิดไข้ควรโอ้ให้ของไปแต่ก็คิดต้องตึกใข้ควรไปแล้วโอ้ย อย่างนี้ทําว่าวิริยะสัมพวชงเกิดหรือเกิดนันเขาบอกว่าถ้าหาก ส, าสติเขาบอกถ้าศรัทธาเนี่ยนะไม่มีกําลังเนี่ยวิริยะก็ไม่สามารถทํากิจในการประคองกุจอและทำเรื่องหลายเป็นต้นนะสติก็ไม่สามารถจะทํากิตคือการปรากฏคําว่าสติปรากฏเนี่ยแปลว่าสติค่อนข้างเข้มแข็งสติเข้มแข็งในที่นั้นแปลว่าสตินั้นได้รับอุปการะจากปัจจัยแวดล้อมค่อนข้างดีโดยเฉพาะปัจจัยภายในนะ คือสามอายุธรมทั้งหลายก็ดีหรือปัจจัยที่ในกลุ่มอนันตลาเป็นต้นหรือปัจจัยที่เกี่ยวกับอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นที่จะเป็นปัจจัยแก่การทําให้สตินั้นเกิดขึ้นเช่นว่าการมนุิการในสติจเจริญสติสมัมปชัญญะนฐานะเจตเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่ยกตัวอย่างท่านพระนันธาบอกพระนันธาเวลาที่จะเหลียวซ้ายแลกว่าจะเหลี้ยวไปทางทิศเหนือทิศใ ต, ต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเป็นต้นเนี่ย ท่านปรนันท่ก็จะต้องมานัิการก่อนว่าบาปอกุศลธรรมมันลามกจะไหลท่วมทับกระแสจิตของเราไม่หรือไม่เนืถ้าท่านประมวลความรู้สึกและสามารถป้องกันบาปอกุศลธรรมของท่านได้ด้วยสติสัพชัญญะด้วยโยนิสงมานัิการป้องกันเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ทํากิจของท่านเนะในการที่จะกล้าไปและถอยกลับไปเหมือนกท่านก็มนัิการก่อนก็ไปเตรียมตัวก่อนเนี่เหมือนอาตมาในเวลาจะมาพูดจะไม่ได้อาตมาไม่เตรียมตัวก่อนมาในยุ่งเลยเนี่ยมันเตรียมตัวก่อนเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ว่าอเออควรจะเจริญสติก็ไม่ได้เตรียมตัวในการที่จะตั้สติไม่ใช่นะเฮ้ยเดี๋ยวสติเกิดเองไม่ใช่ต้องอาศัยปัจจัยเยอะปัจัยปัจจัยในการที่ต้องใครควรพิจารณาอะไรเยอะแล้วก็สมาจินรี่เนี่ยนะก็ไม่อาจจะทํากิจก็คือความไม่ฟุ้งซ่านเป็นต้นได้เพราะศรัทธาแล้วก็ปัญญีนรียก็ไม่อาจจะทํากิที่การหินเพราะฉะนั้น่ะ เมื่อมนัสิกานถึงอินทรีย์คือศรัทธาด้วยการ ส, สภาวธรรมหรือด้วยประการใดนะอินทรีย์คือศรัทธามีกําลังก้าพึงลดลงด้วยการไม่มนัสิการประการนั้นก็ตรงนี้ก็บอกว่าท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าบางทีเนี่ยโยนที่สมนัสิการที่ท่านใช้คําว่าคิดปลุกเร้าคุณธรรมนี่นะเช่นเราจะปลุกเราก้าศรัทธาให้เกิดขึ้นปลุกเร้าวิริยะสติหรือสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเยต้องรู้จังหวะ ถ้าไม่ให้ใครเกิดเลยเนี่ยก็เสียหรือเกิดซะ้ันมากสะโด่งไปเลยนะไอ้ตัวอื่นเนะี่ยปัญญาแฟบลงหมดเลยเนี่ยนะแต่ให้ศรัทธาโดง่งมันน้ำไม่ศรัทธายางเดียวไอ้ตัวธรรมะวิจัยไมย่กำหนดทิศทางนะอะไรเชื่อแบพื้อไฟเลยเนะี่ยนี้เอ น, นี่เขาเรียกว่าตัวโยนิสโสมนสิการนอกจากจะเป็นปัจจัยแก่สัศรัทธาต้องเป็นปัจจัยแก่ววิริยะ สติสมาธิและปัญญาถ้าเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาต้องมาเป็นปัจจัยแก่ปัญญาให้สมดุลกันนะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ซึ่งยากไหมยากในทางปฏิบัติยากไหมยากที่ผู้ที่มีความละเอียดก่อนในการที่ฝึกหัดขัดเกาลานั้นที่จะสามารถทําคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ให้เกิดการสมดุลได้ถ้ามันสมดุลไม่ได้มันก็หมุนวัวเทียมแอดใช่ไหมไอ้ตัวหนึ่งเดินเร็วตัวหนึ่งเดินช้าเป็นอย่างนี้ย มันเป็ น, อนไอตัวหนึ่งก็จะลากไปตัวหนึ่งก็จะดึงไว้ย่างเงี้ยมันก็จะไปกันใหญ่เล้วมันก็มันก็ไม่สมมันก็ไม่สามารถจะทํากิจต่างๆเป็นต้นได้ก็เหมือนกับสมถาวิปัสนาเนี่ยไม่มีความสมดุลกันเนี่ยยุ่งเลยเด่นก็ยุ่งเลยถ้าเป็นสมถะสายเดียวอย่างเดียวเนี่ยนะอันนี้ไปแล้วปัญญาก็จะลดลดคุณภาพลงเพราะปัญญาลดคุณภาพลงแต่นี้เอาแล้วปัญญาก็ไม่ทํากิจในการวิจัยแยกแยะแล้ ว, ลวกลายเป็นสมาเชียไปทํากิจแทนเลยอยเนี่ย อันนี้ก็อันนี้ก็ก็ต้องปรับเขาถึงบอกว่าตัววิริยามีกำลังกล้าเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตทินซีก็ไม่อาจจะทำกิจคือน้อมใจเชื่อเพื่ออธิโมกเป็นต้นได้ก็ไม่อาจจะทำกิจคือว่าหน้าที่ของตนได้เพราะฉะนั้นอ่ะก็ให้ลดอินทรีแต่เรมาเคยไปนั่งคุยเขากันแล้วไ ป, ไปพูดปฏิบททัติในะกล้ใกลนาวเาเชื่ อ, อ, อในยุคนี้อ่อนหมดทุกตัวโดยส่วนมากศรั <laughs> ทธาก็อ่อนวิทย สติสมาธิปัญญาเอาโดยมากเป็นย อ, มมปอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นยุคที่ปัจจัยภายนอกไม่เลื้อหนุนในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยยุตัวอย่างคือยุคแคร์พระริจ้าประริญปานแล้วสามร้อยกว่ปีในยุคของพระย่าสมมาแล้วเขาบอกขนาดเด็กเลี้ยงควายยังร้องปีปิโศกกระวานพุทธคุณอยู่ในอธัธยาศัยเลยแล้วในสมัยก่อนสังเกตดูใ น, นขนาดพวกพวกอภาภัยล ะ, ละาลัทธิศาสนะไอพวกที่นับถือาศาสนาอื่นท่องพุทธคุณกันนะ ทำไมท่นท่องได้ยังไเป้าซึ่งหูท่านท่้นก็จำได้ยังไงท่านก็บอกว่าเออเวลาท่านสังเกตุอยู่ทีเวลาพวกภายเวลาละทีทั้งหลายน่ยพวกละทีภายนอกเขาเสนอหนากันบอกว่าเวลาพระบรมศาสดาเสด็จมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกเออตอนนี้พระบรมศาสดาท่านพระสัมมาสัมมาใกล้เราแล้วแต่เสียงขจรไกลเขาบอกว่าเนี่เพราะเหตุนั้นพวกผู้มีบราคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมในวิชาจะอะรนะคือท่านสาธยายพระเดชะคุณได้แต่ท่านไม่ได้สาธยายด้วยการศรัทธาน แต่ท่านบอกว่าเนี่ยเกียรติที่คุณรังมาอย่างนี้เล ย, ย, นเน ย, ยว่าแม้นะสมัยก่อนไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ใช่ไหมก็ชนทั่วชมพูเจวีทวดากาศายายพุทธคุณทุกชั้นน่ะพรมกับทุกชั้นแม้แต่ในอลู ป, ประพรมยังจเจริญพุทธคุณเนี่ยที่เป็นพระโสดาบานันสกทา น, นาคาพระอรหันต์ที่อยู่ในรูก ป, ประพรมท่านก็ต้องตึกพุทธคุณได้ใช่ไหมท่านตอ็ต้องมีพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่แล้วถึงแม้ท่านไม่มีตวารตาหูจมูกเล่นกายใจ ก็แปลว่าโลกสามนี่นะกามาโลกกามาภูมิโลกภูมิมาโลกภูมิมเนี่ยพุทธคุณนี่ยกระชนก็หือดังไปหมดปัจจุบันเดินออกจากตรงนี้เสียงพุทธคุณมีดังให้ได้ยินมาไม่มีเลยรู้เสียงอะไรกไ็รู้สารพัดใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกปัจจัยภายนอกไม่เ อ, อื้อต่อศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเลยฉะนั้นการเจริญกุศลในยุคนี้คับแคบม า, าก้าะก็คับแคบนะขณะพระอยู่ในวดนัดยังมีเสียงอะไรวิ่งเข้าหาวัดเลย แล้วบาทีอยู่ในกายมีอยู่มีอยู่บ้านโยมแปดเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านก็นั้นก็แต่นี่มาพูดเกินกายไม่ได้ในใรรินทาเลยนะโยงไม่โกรธพอถึงเทสต์พอถึ ง, ถงก็เจ็ดวันแปดวันเดี๋ยวแกก็เปิดก่อนที่จะแกจะประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้านแกก็เปิดเพลงก่อ น, นเพลงกับ้านถูกกันที่ไหนใช่ไหมพระกําหนดย่างที่เปิดอย่างดังเลยเพลงก็วิ่งเข้ากุฏิพระพระก็โอ้นั่งกลุ้มกันเลย ถ้ามานติการได้ก็โอก็ดีหน่อยบางองค์ก็โอ้ต้องพยายามหาที่หลบกันเอาปิดกุฏิให้แน่แนๆเพื่อเอาเสียงรอดทำไมและเปิดก็ยาอย่างนี้เป็นต้นปัจจัยภายนอกและเป็นชาวบ้านด้วยเนาะชีวิตทารวาตัวที่จะต้องบริโภคก ร, รมอยู่กับการมอะไรที่มีลำบากอันนี้ตรงนี้ที่บอกว่าอาจารย์เชษครับมาบางครั้งเรามาบอกพยายามจะปรับศรัทธากับปัญญาให้สมดุลกันวิริยะกับสมาธิให้สมดุลกันสติให้มีกําลังเป็นต้นที่ บางที่มันมันมันหนึ่งโยนยิสโสมและสิการที่จะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาก็ไม่แข็งแรงที่จะเป็นปัจจัยแก่วิรยิยะแก่สติแก่สมาธิแก่ปัญญาก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะปัจจัยภายนอกคือปรโตโขสานั้นไม่ใช่คือไม่ค่อยมีกําลังพอเพราะขนาดปัจจัยภายนอกที่มีกําลังพ อ, อขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือสาวกของพระพุทธเจ้าระดับนี้อิทธิฤทธิทั้งนั้นเลยใช่ไหมในยุคก่อนเนี่ย ทังเจตุธีเวลาท่านจะมาประกาศศาสนาท่านไม่เคยกลัวเลยเนี่ยท่านไม่เคยกลัวว่าบรรดาคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นคนประเภทวิ ช, ชาทิฏฐิรุนแรงประทถุสลายข้างเนี่ยทุกท่านคุ้มครองตัวเองได้หมดใช่ไหมประเภทที่วิ ช, ชาสามนั่นก็ได้ปนญญาหกนั่นก็ได้ปฏิสนธิทายานสี่น่นก็ได้ไม่ใช่ปกครองตัวเองได้อีกเรื่องว่าเนี่ยท่านนั่นแหลท่านไปประกาศศาสนาที่ไหนท่านจะได้ถือท่านในยุคปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกยุคอาณาจาเนีย เป็นยุกหนาคาคนข้างที่ว่าห่างไกลจากศาสนาห่างไกลศาสนาอายุมาขนาดนี้แล้วเนาะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะต้องศึกษาพระธรรครับสอนว่าเล่งใครคนในการที่รู้เร็นแบบพอทุกคนนะนะั้นอเดี๋ยวต่อไปก็จะเล่นกุศลกันสันิดนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการต่อ เออมีใครถามอะไรไม่มีเนาะแต่เรามาไม่รู้เวลาเนี้ยฮะถ้าสาธยายพุทธคุณกันสักหน่อยก็ดนะีอย่ากจะจเล็เล็กแผนนี้แตเไ ด, ไ ด, ได้ได้อุทิส่ส่วนสุญอีทีโซปาคาวาอะหัมสัมมาสัมพุทธโฆิ จาจาดานาสั ja, ja, สาวกสัมโพยยามจัตตาริภูริชยุคานิอัตภูริชาูคาเสสะวะโตสาวกสัโธาุยโยาุยโยรั์ทยโยอัชีกีโ ก่รรณาสิการถึงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านะก่อนที่จะอุทิศ ส, ส่วนกุศลกันในช่วงนี้ก่อนสักช่วงนึ่งก่อนบรรณาสิกาในการที่เราสาธยาหรือฟังพระธรรมมาตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็มีการเจริญกุศลมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในการนึกถึงพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าและนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราสาธยาไปาแมื่อเพราเหตุนี้แมื่อเพราะหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพรองค์นั้นเป็นพระอาจารย์ พระรัชากาลจะได้ตัทรุ่นั่นแะสัมมาสัมพวิยาณเสียสงขายิง่งด้วยแสนขับนี้ได้รับพุทธปริญญกที่ยังไม่ได้รักก็แปลว่า20่สิฉะนั้นพระองค์จะะเจริญทั้งทานบรารมีศีลบรารมีเนฆามมา ร, รามีปัญญาบรารมีวิริยะบรารมีขันติบรารมีสัจจะอธิฐานนะเมตตาอุเบกขาบรารมีอุปบารมีศิษย์แล้วก็ปรมิตะบรารมีศ0แล้วก็มหาปริจาค้าหาประการมีฐานะปริจาค้าเป็นต้น จนถึงการให้ชีวิตเป็นทานให้บุตรให้ภริยาเป็นทานเป็นต้นฉะนั้นอัจฉริยะใสที่พระองค์บ่มแล้วก็ตั้งอัจฉริยะใสมาในการที่จะประกาศในการที่จะรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัฏเราการนึกถึงพระหมหาธูนนาที่คุณไม่ว่าบทใดบทหนึ่งแต่สามารถเชื่อมโยงพระธรรมของพระพูทมีพระภาคเจ้านะั้นเข้าหาความจริงเป็นต้นได้ยกตัวอย่างเช่นในพระไตรปิฎกหลายๆแห่ง การเจริญพุทธคุณเนี่ยการระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเมื่อเราระลึกถึงเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกิดนะเพราะธรรมโยนิสโวมิไสิการไม้เกิดขึ้นในการน้อมระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างต่อเนื่องกระแสของนามขันธ์ที่น้อมระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นนี่ยในเป็นเป็นไปตามลําดับพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสบางครั้งพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเองสังเกตดูไหมพระพุทธเจ้าก็จะกล่าเนี่ย บอกว่ า, าพระสถานพุทธกุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพระลรหันตัดสรู้ชอบใจโดยตนเองเป็นต้ น, ตนอาตมาศึกษาใหม่ๆก็ยังพิจารณาดูทำไมพระทเจ้าตรัสรู้นะที่ไหนได้พระเจ้าต้องการให้มีสถาคตาภูที่ศรัทธาคือศรัทธาในการที่เชื่อการตัดสรู้ดีของพระทเจ้าว่าพระเจ้าในตัสรู้อริยสัจจรทำทั้งสงจริงนะตัดสรู้ทุกโดยการกําหนดรู้ตัดสรู้สมุ ท, ทยัยโดยการละตัดสรู้นิโรธ ด้ยการทําให้แจ้งตัทเชลุอริยมรรคด้วยการอบรมด้วยการเจริญจนสุดรอบแล้วในที่สุดจริงๆก็คือบรรลุสัมมาสัมโพธิยานี่ไหมเมื่อพระองค์ไปรู้สัมมาสัมโพธิยาแล้วพระองค์ก็ประกาศก็ทําคําสอนเนี่ยเพื่ออะไรโรดขนสัตว์หรือสัตว์ให้ออกจากสังสารวัตรเพราะพระพู้มีพระเจ้าเห็นบอกว่าสังสารวัตมันมีภัยมากใช่ไหมมันมีทั้งอะไรถ้าเราจะมาหวังนี่ไหมตัว อ, อย่างที่บอกว่า บางทีชีวิตของเราท่านทั้งหลายเราไปหวังกันที่ทุดมยานนาไปหวังที่สุขเวทนาสุขเวทนาท่านก็ไล่ลําลดับให้ดีว่าสุขเวทนาในกามาคุณไม่ต้องพูดถึงสุขเวทนาที่ได้รับจากการได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้ธรรมารมณ์ในชั้นของกรมธรรมนี่ไม่ได้มีสาระอยู่แล้วใช่ไหมสุขเวทนาเมสูงกว่านั้นไปตามลําดับนะสุขเวทนาในกุศลศีลสุขเวทนาในสติสัมปชัญญะ ในฐานะเจตสุกเวทนาในผสมชาญทุติยชาญตติยชาญเจตุตสานชาญไปต้นนี้ยแม้แต่เวทนาในชั้นของอากาสานัญจาญาตนะวิญญาณัญจาญตนะอากินจัญญายาตนาหรือเวทนาในเนวะสัญญาณะสัญญายาตนาเวทนาในสมาบัตทุตระมาบัตก็เป็นเวทนาที่ไม่ได้มีสาระเลยนะไม่มีสาระของความงามของความสุข แล้วก็ขอความเชี่ยงแท้แน่นอนหรือของความเป็นตัวเป็นตนเป็นต้นเลยทั้งหอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงฐานพื้นฐานในการที่จะเป็นปัจจัยเก่การเข้าถึงบรมสุขเก่าหรือพระนิพพานเท่านั้นเองใช่ไหมฉะนั้นถ้าหากว่ามีโยนิโสมรณาสิการให้ควรเป็นอย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดปัญญาแล้วเนี่ยก็จะไม่ติดอยู่กับเวทนาเหล่านี้ก็จะรู้เห็นอะไรเห็นอสสาท่าของเวทนาเห็นคุณของเวทนาเหล่านี้ว่าให้คุณแค่ไหนอย่างไรอาชีนวะคือเห็นโทษ เห็นวเวทนาเหล่านี้ไม่ที่ยังเป็นทุกข์แล้ก็เป็นอนัตตาประการสําคัญก็คือนิสรณะนาเนี่ยนะคือปฏิบัติในการที่จะออกจากเวทนาเหล่านี้เพื่อน้อมหาพระนิพพานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวทนาเลยเนีเพราะเวทนาเนี่ยเป็นขันธ์ไม่มีสาระไม่ใช่สารณะไม่ใช่ที่พึ่งทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณก็ไม่ใช่สารณานีไม่ใช่ที่พึ่งแต่สารณะหรือที่พึ่งนั่นคืออะไรคือโลกุตระนะโลกุตระสูงสุดจริงๆก็คือพระนิพพาน การน้อมออกจากเวรน า, าต่างๆเหล่านี้ได้นอกข้าหาปรมมาสุขคือสุขก่าคือพระนิพพานเป็นต้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแทงตลอดอริยสัจเมื่อแทงตลอดอริยสัจบรรลุพระนิพพานเมื่อท่านบรรลุพระนิพพานดังที่บอกแล้วอกว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ทางก็มีอยู่ใช่ไหมพระนิพพานก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกชัดว่ยชัดคํานี่บอกสมบูรณ์ทั้งอัฏฐานและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเชิง แล้วก็มีการศึกษาโดยลําดับมีการทําโดยลําดับแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติโดยลําดับและผู้องค์กวังลําดับในการประพฤติปฏิบัติไว้แต่เวลาก็ะผู้มีภาคจ้าบอกท่านที่ขาดโยนิสงฆ์และสุจรในการไขควรพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมก็ยึดปฏิบัติทางที่ผิดออกนอกวิถีของมรรคแล้วก็ปฏิบัติผิดผิดไปท่าทกันต่างนานาเยอะแยะเราจะสังเกตได้ว่ากระแสขันของเราท่านทั้งหลายเนผ่านพระพุทธเจ้ามาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันพระองค์ ถามว่าทําไมไม่ไปริพพานบ่งบอกชัดเจนก็คือว่าอโยนิสมศนสิสการในอดีตมีกําลังมากฉะนั้นเมื่ออายนิสมศนิการในอดีตมีกําลังมากนั้นจึงทําให้เราออกนอกทางอยู่เรื่อยใช่ไหมที่ท่านถึงบอกเหมือนม้ากระจอกเพาะเหมือนม้ากระจอกมันไปลากเวียนมันก็วิ่งออกนอกทางอยู่เรื่อยทั้งๆ ท, ท, ที่เจ้าของมีสติสำปรชัญญามีโยนิสมศสิการเนนะั้นคอยอาประตับแทงบ้างทุบบ้าง ให้เลือดไหลแล้วมันก็ไม่ค่อยเข็ดมันก็วิ่งออกนอกทางวิ่งออกนอกวิถีอย่างเงื่อให้สังเกตดูแล้วเรามาปัจจุบันนี้ถ้าเรายังไม่มนานัศกรุรไม่ทําโยนิสโสมนสศการให้มีกําลังนะีแล้วก็ไม่ทําปัจจัยภายนอกคือพระโตโคสะคือการฟังธรรมของพระุทธเจ้าสาวกของพระุทธเจ้าอยู่ต่อเนื่องหรือได้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือพระไตรปิฎกคาถาฎีการหรือครูบาอาจารย์ที่รู้พระธรรมอย่างถ่งแท้เป็นต้นเลยถ้าไม่ได้ปัจจัยภายนอกที่ถูกต้องนี้นะ ปัจ slide, จัยภายในคือโยนิโสมนัสการซึ่งมันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วมันพร้อมที่จะออกนอกทางอยู่แล้วลองคิดดูมันจะวิ่งผิดรูปผิดทางไปขนาดไหนนีและสังสารวัตในอนาคตมันอะไรจะเกิดขึ้นในกระแสขันที่สว่าการเข้าสู่พบน้อยพบใหญ่เนี่จากขันสู่ขันจากเวทนาสู่เวทนาจากสัญญาสังขารวิญาตสู่สัญญาสังขารมีญาณจากพบน้อยสู่พบใหญ่พบใหญ่สู่พบน้อยจากพบสู่พบนี่ยไจากภูมิสู่ภูมิมันหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ นาข้าวนเ ข, านาเขา้าวกายกายเป็นต่อของวัตตะเลยนาขา้าวนาข้าวกายกายเป็นคนเป็นผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าเองถามว่าเชื่อไหมในปัจจุบันพนี้เราเงินมากหน้ามองพระเจ้าเคารพพระเจ้ามีวัตถุสามใช่ไหมมีพุทธรันะรรนะตตนาธรรมลัตนาสันลัตตนะวันใดวันหนึ่งในอนาพุเราจะรู้ได้ย่งไรเพราะของเราแค่โลภิยะสรารนคมไม่เป็นโลกุตระสรารนคมไปวันใดวันหนึ่งพบใดพบหนึ่งเรากลับกลายเป็นต่อของวัตตะ ปฏิเสธพระธรรมคำสอนของพระเจ้าทําตนเป็นปฏิปัติต่อพระเจ้าด้วยเองตรงนี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูนี่คือโทษของสังสารวัตรไหโทษของสังสารวัตรโทษของภัยโทษของการไม่รู้พระธรรมคําสอนโทษของการที่ว่าศึกษาพระธรรมคำสอนโทษของการอยู่ใกล้บา ป, าปมิตรอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดฉะนั้นจะพิจารณาปัจจัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเนี่ยระดับอย่างเราท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกนี่นะระดับสาวกนี่ ไม่ใช่บำเพ็ญบารมีก็เป็นพุทธะพระพุทธเจ้าหรือปัจเจกพระพุทธเจ้านี่ลำบากลําบากก็คือว่าต้องอาศัยระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเดินในถูกทางด้วยอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยบาายุคคลที่มีความรู้มีภูมิธรรมต่างๆนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็จะต้องดลผลในการที่จะต้องรู้วะธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าในการที่จะสามารถวินิจฉัยได้นะว่าอันนี้มันผิดทางอันนี้มันถูกทางเป็นต้น นั้นการที่เราจะเดินทางที่ยาวงานนั้นจะต้องมีอุปกรณ์มีอะไรมีเหตุปัจจัยมีสิ่งแวดลอ้อมดังที่อาจารย์เคยบอกไว้ยัง่บอกว่าขนัดติสะติสะพรมจะลงมาเกิดเป็นโมกขลีบุตรติสาเทละท่านยังต้องให้พระอรหันต์รับรองท่านบอก อ, อื่นเนี่ยถ้าากจะไปเกิดในตระกูลของมิจฉาทิสีท่านรับรองก็ไปย่อเดินนะถ้ารับรองข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะลงไปปรากฏอย่างนี้เป็นต้นเราจะมาเกิดเราไม่ได้เป็นคนมีบุญนะเลือกที่เกิดไม่ได้ จะตายก็ไม่รู้จะตายที่ไหนใจะไปปฏิสัณฑที่ไหนกําหนดไม่ได้คนบุญน้อยกําหนดที่เกิดไม่ได้กําหนดที่เกิดที่ตายไม่ได้แต่ถ้าคนบุญมากเนี่ยเขากำหนดได้เขาสามารถจะกําหนดได้เลือกที่ไปได้เพราะกระแสบุญเขาแรงมากกุศลกุศลของเขาค่อนข้างแข็งแรงมากใช่ไหมเขาสามารถกําหนดได้ยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเขาเกิดเป็นพรหมเขาสามารถกําหนดตายก่อนเวลาก็ได้เขาทั้งๆที่เป็นพรหมจะไปเกิดที่สูง จะสามารถกําหนดลงมาเกิดที่ต่ำได้นี่แปลว่าคนก็บุญมากถ้าอย่างเราโ อ, โอ้ยก็ไปได้ชานสมาบัติก็ไปเพลิดเพลินกับชานสมาบัติหลงไหลในชางสมาบัติบางครั้งก็ได้ฮะได้ชานสมาบัติเป็นอามิตรเลยเป็นปัจจัยกัตัญหามานาทิฏฐิบางครั้งก็ได้ปาปามิตรเป็นปัจจัยกับตัญหามานาทิฐิบางทีก็มีลาบส ก, กาละนี่แหละใช่ไหมอาจจะมาเตือนตัวเองตลอดเวลาบอกโอไม่ได้แล้วบางทีโอ้ไปแอบหลงไหลส ก, กาละ นิดๆหน่อยๆที่แค่ไปบินทบาทโอ้บ้านนี้เขาใส่อาหารดีรอสักหน่อยดูขนาดนั้นนะมันยังยังคาดได้บางครั้งพอพิจารณาโอ้เดืองกิเลสเป็นเดืองที่ว่าบางครั้งเนี่ยกิเลสมันมันลายงานเราตั้งงานเดี๋ยวเราก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนั่นอ่าพิจารณาดูธรรมะจะชอบใจอีกตรงหนึงที่บอกว่าตรงที่พัฒน์ภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรที่ท่านไปลาพระเจ้าพอไปลาพระเจ้าแล้วท่านก็เอาอิทธิฤทธ์ทั้งหมดที่ท่านได้มานะ่ย ไปถวายพระเจ้าตอนที่จะไปราพระเจ้าปฏินิพพานเนี่ยท่านไปบอกกับพระเจ้าเลยใช่ไหมบอกวันนี้ไงว่างั้นสาวกบาลมีญานที่ข้าพระองค์บำเพ็ญมาหนึ่งสงขายิ่งโดยแสยงกลับแล้วได้บรรลุเนี่ยแล้วก็พร้อมในวิช า, 3, า 6, สามอภิญญาหกปฏิสัมพิทายานสีแล้วก็แตกได้ตัดทะลุดได้เป็นร้อยในพันในมืในมาเนี่ยอัตยาสัยที่ได้ตรงเนี้ยเหมือนจะไปบอกกับพระพุทธเจ้าว่ายังไงค้นงานของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระบรมศาสดาเน็ดเหนื่อยในการบําเพ็ญทานบารมีเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดเนี่ยงั้นพระองค์กระทามาไม่เสียเปล่าข้าพระองค์เป็นประจักษ์พยานแล้วข้าพระองค์นี้ไงว่าหนึ่งอสงไขเป็นอัคระสาวเบื้องขวาแล้วก็มาแสดงอีกที่ปฏิหารถวายท่านเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะราพระบรมศาสดาไปปรินิพานเพราะเป็นราพระเจ้าพระเจ้าก็ท่านก็บอกว่าอบอกความปรารถนาของข้าพระองค์นั้นบรรลุแล้ว หนึ่งปรารถนาในการที่จะบรรลุไนหะสาวกบารมีญาณกนะ็บรรลุนะบรรลุในการเป็นอัคระสาวกเบื้องขวาในการที่ทํางานคู่เคียงบาเคียงไหลพระบรมศาสดาบรรลุนะใช่ไหมสามารถจะสอนคําสอนดูผลงานของ่านดีไม่ว่าจะเป็นสังคีติสูตรใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในขุทธกนิกายปฏิสัมพิธางมากไม่ว่าอาภิธรรมอภีดกไม่ว่าจะจุลนิเทศมหานิเทศเป็นต้นเหล่านี้ ท่านสร้างผลงานเป็นแบบอย่างเป็นเนตีเป็นตัวอย่างให้เราท่านทั้งหลายในอนุชนลุงหลังใช่ไหมวันนี้ท่านวางรูปแบบไว้ถึงแม้ว่าท่านจะปริพนิพานก่อนพทธเจ้าใช่ไพมก็เป็นประเพณีสาวกของพุทธเจ้าที่เป็นอัคราสาวกเบื้องขวาต้องปริพนิพานก่อนเนี่ยะแต่ท่านประิพนิพานนั้นท่านไปอย่างอาถรรพ์ท่านบอกว่าข้าพเจ้าอิหนาละอาจใจต่อร่างกายกะรัชกายจน์ รูปขันเวทนาสนัญญาสังขารวิญญาณหนึ่งข้าพเจ้าอิจนาราใจอุปมาเหมือนกับเอาซาบสุนัขหนา้ามาผูกติดที่ค้องข้าพเจ้าน้ท่านเห็นพบสามประดุดจังไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาเนั้ยใจนะจะน้อมออกจะน้อมปรินิพานตั้งนานนะแต่ก็หนึ่งด้วยการบําเพ็ญบา ร, รมีมาเป็นสาวกเป็นอัครสาวกเบื้องขวาก็ต้องประกาศพระทําคู่กับพระบรมศาสดาเม้แต่พระศาดสดาเองท่านก็มีความคิดอย่างนั้นนะคืออยากจะปรินิพานปราถนาจะปรินิพานตั้งนานแล้ว แต่ด้วยการที่ท่านจะต้องมีพันท่านะพันท่าในการที่จะประกาศนะประกาศพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าดูนะดูตอนที่พระบรมศาสดาป่วยขนาดไหนตอนใกล้จะเสด็จดับขันธริณิพันธนะ์ไหขนาดเดยวก็่านั่งเดี๋ยวกวนะ่านอนนี่นะให้พระนอนคูร่าสังฆาติแล้วก็บอกก็ดูก่อนนะโ น, น้นไม่ไหวตาตาพดทธมิ่หนักเหลือเนบอกว่าตาตาพุเดินไม่ไหวแล้วหนักหนักเหลือเกินกตรงนั้นเนะ่ยท่านก็ไปขยายบอกว่าขันธทั้งห้าเป็นของหนักนก ท่านต้องการบอกว่าก็ขนาดพระพุทธเจ้ากำลังตระดุดดังเช้าสิบเชือกยี่สิบเชือกเนี่ยพอถูกโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเหล่านี้มาเบียดเบียนเยนี่ยหมดกำลังน่หมดเหมือนเทน้าหมดจะกระบอกห่าเนีกำลังหายเกลี้ยงไปเลยแค่จะประยุงขันขตัวตนเองพุี่ยผู้จาร์บอกขันห้าหนักมาก แต่ความว่าในสังสารวัตเนี่ยเสียสงไขยยิ่งด้วยแสนกับบวกอีกสิบหกประสงค์ไขที่ตถาคตเนี่ยสั่งสมอัธยาสายมาเฉพาะตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้ามานี่นะแบกขันห้ามาในการบ่มบารมีมาเพื่อพวกเธ อ, อ, อ, อทั้งหลายหนักมากหนักมากมาทรมานมากสาหัสสักันมากเนียบอกว่าหนักเหลือเกินตถาคตจะพักแล้วขอพักพระอนุนก็ปูลาสังกัดีสี่ชั้นพระองค์ก็ทรงพักเห็นไหม นั่แปลว่าหนักเลยเกินแล้วสังการนันก็เชี่ยเราเห็นบว่าขันทั้งหลายเป็นของหนักมันเป็นภาระมากก็เลยขันแต่ภาระใช่ไหมเป็นภาระที่จะต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องครูต้องเหยียดต้องก้มต้องเหนยต้องประคับประหมมต้องเช็ดผูต้องดูแลทุกส่วนเนยน่ะวันวันหนึ่งหนึ่เราต้องยุ่งอยู่กับร่างกายนี่วันไม่รู้เท่าไหร่พราะพระเจ้าทังตาว่าขันห้าหนักหนักมากๆากในสุดจริงๆจะิ่ถาเขาจะทิ้งกัน ทิ้งรูปรขันเวทน า, าสัญญาทั้งขานยัญญาณแต่อริยามรรตมีองแปดตถาคตไม่ได้ทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งไปใช่ไหมหนึ่งตถาคตสเสด็จดับขันทัริณีพานแล้วเห็นไหมทำเล ว, วีในที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำแล ว, วีในนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปเองเราสถานที่ประสูสถานที่สเสด็จดับขันทปัปิณีพานสถานที่แสดงธรรมจักสถานที่ ที่พระบรมศาสดาปรองพระชนมาอยู่สังขารสถานที่กุฏิวิหารเป็นต้นในสถานที่ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นนิมิตเครื่องหมายจะอยู่เป็นศาสดาของบกเธอทั้งหลายเนีเธอทั้งด้วยความหมายคืออย่างนั้นให้ตามลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เข้าถึงพระธรรมคําสอนของพระเจ้าฉะนั้นเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ากรดีของภาษาวกของพระพุทธเจ้าหรือถึงของพระธรรมเป็นต้นกรดีน้อมลึกในลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะได้มุ่ง ม, มั่นในการที่จะทําศึกขาสใช่ไหม ทำศีนสมาธิปัญญาให้เดินพัฒนากระแสะขันของเราจากขันที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ย้าไม่บริสุทธิ์เป็นต้นวันนี้ก็สังพลคนนเวลานะต่อไปก็คอทิ่สุวนทีสกันสักกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณนะบัดนี้นนนะนและแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว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 อยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด เด็กๆก็นอนใจนะคะ